เรื่องราวของการบรวชภิกษุณีที่มีคนอยากจะให้พูดถึงว่าการบรวชภิกษุณีนั้นควรมีหรือไม่ควรมีควรยอมรับหรือไม่ควรยอมรับ <c oughs> จริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องนี้ ไม่ใช่เรื่องเป็นไปเพื่อความขัดแย้งในระหว่างหมู่สงฆ์และศรัทธาของหมู่พุทธศาสนิกชนความเป็นภิกษุณีมันก็ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกอยู่แล้วว่ามีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรมันก็น่าจะตัดความสงสัยต่างๆนาน า, นาที่เป็นความสงสัยในหมู่สงฆ์ในปัจจุบันและหมู่พุทธศาสนิกชน ที่มีความคิดว่าไม่ควรในบางกลุ่มและควรในอีกบางกลุ่มแต่ในกลุ่มที่ควรก็คือกลุ่มที่ได้พยายามพยายามเขาเรียกว่าให้สังคมภิกษุณีสงเกิดขึ้นแต่ก่อนมีแต่สังคมสง แต่สังคมภิกษุณีสงฆ์ไม่ได้มีมาในเมืองไทยยาวนานแล้วมันมีในครั้งพุทธกาลดูเหมือนว่าจะสิ้นไปหรือว่าขาดช่วงไปในยุคพศแปดร้อยประมาณนั้นนะ่ะคาดว่าในพศสามร้อยยุคของพระเจ้าอาโศกก็ยังมีการบวชภิกษุณีอยู่แม้แต่พระเจ้าอาโศกก็ยังได้ให้นาง สังฆมิตรตาซึ่งเป็นป น, น, น้อง่ไปบวชเป็นภิกษุณีแล้วก็นำธรรมะเผยแพร่ที่ศีลังกาด้วยภยัยคุกคามทางสงครามก็ทําให้ความเป็นภิกษุณีขาดหายไปแล้วก็อิทธิพลทางศา ส, สนาอื่นครอบงาดูเหมือนว่าความเป็นภิกษุณีขาดหายไปและในทางประวัติศาสตร์ก็ยอมรับว่าความเป็นภิกษุณีขาดหายไป ด้วยความเป็นเช่นนั้นในคราวที่พระโสณพระอุตระพระชานิยป harma niya ได้นําพุทธศาสนามาเผยแพร่ในสุวรรณภูมิซึ่งความเป็นพุทธศาสนาก็ได้ฝังลากลึก อ, อยู่ในเมืองไทยแต่มาเฉพาะสังคมสงฆ์คือกลุ่มภิกษุสงฆ์กนละุ่มภิกษุณีสงฆ์ไม่ได้มีมาด้วยจึงไม่มีความเป็นภิกษุณีในประเทศสยามหรือ ว, ว่าในเมืองไทยเราและด้วยความเชื่อว่า หลักฐรรมประวัติศาสตร์ได้ชี้มูลความขาดศูนย์ของความเป็นพิษุนีไปแล้วไม่มีการสืบต่อเชื้อสายในการบรรพชาประสมบทมาเป็นระยะเวลาหลายร้อยปีก็เลยยึดถือว่าไม่ควรที่จะมีการอุปสมบทพิษุนีอีกเด็ดขาดเพราะถือว่าขาดขาดเชื้อสายไปแล้วขาดศูนย์ไปแล้ว แล้วก็ยอมรับกันมาเป็นระยะเวลายาวนานว่าไม่ควรอุปสมบุตรภิกษณุณีทีนี้คำว่าควรหรือไม่ควรมันอยนู่ตรงที่ว่าตรงเนี้ยตรงที่ว่ามันขาดหายไปขาดศูนย์ไปสิ่งที่ขาดศูนย์ไปมันจะต้องเป็นเรื่องตายตัวไปเลยหรือว่าขาดศูนย์ไปแล้วไม่ควรจะมีอีกเราต้องทำความเข้าใจว่า เขามาขาศูนยะ์ขาศูนย์ไปด้วยเหตุใดนะเราจะเห็นว่าภัยทา ง, งทางสงครามแล้วก็การครอบมําด้วยอิทธิพลของศาสนาอื่นทําให้ภิกษุณีไม่สามารถที่จะดํารงอยู่ไดใ้ในประเทศที่เป็นอยู่แต่อาจจะอยู่โดยแอบแฝงหมายถึงว่าอาจจะไม่ได้ประกาศตนเองอยู่ในฐานะของความเป็นภิกษุณีสงฆ์ไม่ได้บําเพ็ญกิจทางภิกษุณีสงฆ์เช่นออกบิณฑบาต นี่วปฏิบัติกิจแต่อาจจะอยู่โดยแอแฟงไมยถือว่าเพื่อความอยู่รอดของความเป็นพิษุณีแล้วก็แล้ไปอยู่ในประเทศที่ที่สามารถดํารงอยู่ได้โดยที่ไม่มีภัยคุกคามซึ่งก็สอนให้เห็นว่าไต้หวันเป็นที่ที่หนึ่งที่มีความเป็นอยู่ของพิษุนีแต่ก็ไม่ได้มีความกระจั้นชัดว่าที่ไต้หวันนั้นได้สืบเชื้อสายมาจากไหน แต่เท่าทีน่นักประวัติศาสตร์ประเมินก็เข้าใจว่าน่าจะมาจากภายทางสงครามทางศีลังกาที่ภิกษุณีนั้นแฝงตัวอยู่ในรูปแบบของชาวบ้านแล้วก็ได้อพยพย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ไต้หวันและไปก่อตั้งความสังคมภิกษุณีสงข์ขึ้นแบบเปิดเผยอีกครั้งบำเพ็ญกิจแห่งความภิกษุณีสงฆ์ได้อีกแล้วก็เมื่อตั้งสังคมภิกษุณีสงข์ขึ้นก็มีการ บวชสืบต่อภิษุนีสงฆ์ในไต้หวันขึ้นมาแต่อย่างไรก็ตามเรื่องประวัติาศาสตร์ก็คือเรื่องประวัติาศาสตร์ไม่มีใครย้อนกลับไปแล้วก็ไม่มีใครสามารถไปรู้เห็นในเรื่องราวเหล่านั้นแต่เมื่อว่าเราเข้าใจหลักฐานทางประวัติาศาสตร์ว่าความเป็นพิสุณีสงฆ์นั้นขาดสูญไปเมื่อเราเข้าใจว่าอย่างนั้น โดยที่เราก็ไม่ได้มีความรู้ชัดว่ามันขาดศูนย์จริงหรือเปล่าคนที่บอกว่าขาดศูนย์นั้มีใครรู้ชัดหรือว่าขาดศูนย์จริงหรือเปล่าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ไม่รู้ว่าขาดศูนย์ยังไงแต่ได้ถูกสอนมาว่าหรือได้ถูกประวัติศาสตร์จารึกหรือบอกหรืออธิบายไว้จากการที่ไปอ่านมาว่าประวัติศาสตร์บอกว่ามันขาดศูนย์เราก็พูดไปตามประวัติศาสตร์แต่เราไม่ได้พูดตามหลักของความจริง หรือถึงแม้ขาศูนย์ไปก็ไม่ได้เป็นปัญหาเลยว่าพิสูจนิสงที่เป็นอยู่ในเวลานี้ควรที่จะยอมรับหรือไม่ควรที่จะยอมรับไม่ได้เป็นปัญหาเพราะว่ามันปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกชัดเจนอยู่แล้วเรื่องของการอุปสมบทพิสูุนิสงเนี่ยมันปรากฏชัดเจนอยู่แล้วว่าทําได้หรือทําไม่ได้ก็ขอพูดถึงเรื่องการบวชก่อ น, นการบวชในศาสนานี้มีอยู่ 4แบบใช่ไหมการบวชในพุทธศาสนานี่1บวชอุปสมบทเป็นสา ม, มเณรด้วยสีขาวบท10 2 บ, บวชอุปสมเออไม่ใช่อุปสมบทเลยสา ม, มเณร น, นี่เรียกว่าบรรพชาขออภัยบวชเป็นบรรพชาเป็นสา ม, มเณรบรรพชาคือถื อ, ถ, อถือเพศบวช ด, ด้วยสีขาวบท10บออบอกไตสรณคมแล้วก็รักษาศีลสิอย่างเงี้ย แล้วก็อุปสมบทเป็นพระภิกษุก็คือรักษาศีล227โดยสงฆ์เป็นผู้ลงมติเพื่อยกบุคคลผู้มีอายุครบ20ปีในความเป็นชายเนี่ยขึ้นเป็นภิกษุคือเป็นผู้ดำรงชีพโดยการขอภิกษุแปลว่าผู้ขอแต่คําว่าขอไม่ใช่ ไ, ไปเอ่ยปากขอใครเอ่ยปากขอไม่ได้การเอ่ยปากขอของภิกษุถือว่าเป็นการประพฤติผิดธรรมเนียมของความเป็นภิกษุ เพราะคำว่าเอ่ยปาขอนั้นมันไม่ต่างจากขอทานแต่ภิกษุขอโดยอาศัยศีลเป็นเครื่องขอคือรักษาศีลน่ะสีขาบทหรือภิกษุหรือสา ม, มเณรเนี่ยมีสีขาบทเป็นเครื่องขอหมายถึงว่าภิกษุพยายามรักษาสีขาบทของตัวเองภายในอานัตที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ในพุทธบัญญัติอานัตคือขอบเขตหรือว่าเขตแดนที่ผึงกระทํา อันไหนทําได้ทำทำไม่ได้ก็อย่าไปล่วงละเมิดเขตแดนในข้อสีขาวบทที่พวงทรงมัญญยัดไปมันมันมีเขตอยู่มันมีแดนอยู่ว่าอย่าล้าแดนอย่าล้าเขตในความเป็นพระภิกษุทธิถ้าล้ำไปอย่างนั้นก็ขาดเมื่อขาดศีลขาดสีขาวบทขาดไปก็ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเดือมใสเมื่อไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเดื่อมใสชาวบ้านก็ไม่ศรัทธาเมื่อไม่ศรัทธาก็ไม่ให้ข้าวไม่ให้อาหารเมื่อไม่ให้ปัจจัยศีไม่ให้ข้าวไม่ให้อาหารเนี่ย ภิกษุก็ไม่สามารถดํารงอยู่ได้เพราะฉะนั้นภิกษุจึงจะต้องใช้ศีลเป็นเครื่องขอหมายาวห้หมดมีศีลชาวบ้านก็เลื่อมใสเมื่อเลื่อมใสก็ให้ปัจใจสีก็ดํารงอยู่ได้แต่ไม่ได้เอ่ยปากขอต่างจากขอทานตรงที่ว่าขอทานเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีศีลแต่เอ่ยปากขอแล้วก็ได้ทรัพย์ได้นั้นได้นี่มาแต่ภิกษุนั้นดํารงอยู่ในศีลของตนแล้วก็ด้วยเดชแห่งศีลนี่เอง จึงทาให้ศรัทธาบังเกิดขึ้นในจิตของ <c oughs> ระดับชาวบ้านแต่ก็มีพฤติกรรมบางเรื่องบางอย่างที่เป็นที่เคื่องจิตเพืองใจของชาวบ้านในหลายๆอย่างมันก็เป็นสิ่งที่ภิกษุจะต้องทําการสารวมในหลายๆเรื่องที่ชาวบ้านไม่เลื่อมใสไม่ศรัทธาบางเรื่องก็ไม่ได้เกี่ยวกับศีลก็มีเป็นพฤติกรรมที่ดูไม่งามตา ก, ก็อีกส่วนหนึ่งเพราะนั้นคาว่า ภิกษุเป็นผู้ขอจึงไม่ใช่เพียงแค่ขอบเขตของศีลมันรวมไปถึงพฤติกรรมกายสมะจารยิย์สมาจารยิย์พวกความประพฤติทางกายทางวาจาย่ย์ก็มีความสําคัญอย่างหนึง่งอย่างเป็นพระอย่างอาตมาพูดเป็นพระอย่างเงี้ยจะพูดแบบชาวบ้านไอ้เหี้ยไอ้ซัดอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่ดีมันไม่ผิดศีล อ, อ้าเอาเขาบอกไม่ผิดศีลได้ยังไงมันก็น่าจะอยู่ในข้อมูลสาบ มันไม่ได้เกี่ยวกับมุสาวาสนะคือคือมันเป็นคำพูดที่บางทีเป็นคำพูดที่ติดเป็นนิสัยก็มีนะอย่างภิกษุคือว่าปิรินทวัตฉะเป็นพระอรหันต์แต่ยังติดในคำพูดที่ดูหมิ่นคนอื่นอยู่มาแต่อดีตชาติคือเป็นพรามนะพูดไอ้ทอยไอ้อะไรไอจ้จระไยอะไรที่มันไม่ดีอ่ะให้อุบาทอะไรโอเคเนี่ยด่าว่าคนนั้นคนนี้ไอ้ตาซา้ำ เพราะมีการยึดถือดีในตนเองอยู่ตลอดเวลาแต่เป็นพระอรหันต์นะแต่ไปพูดเองให้ชาวบ้านก็ไม่พอใจแสดงว่าบางทีก็ไม่ได้เกี่ยวกับศีลชาวบ้านก็ต้องมีปัญญาที่พูดอย่างเนี้ยหมายถึงว่าเรื่องของการบวชเนี่ยมีบวชความเป็นสัมมาเนนกับบวชความเป็นพิสุสองอย่างแล้วนะแล้วก็บวชเป็นสมมเรีสิกขามานานได้เป็นผู้บวชไหมบวชเป็น สิษยามานานี่คือเป็นผู้บวชอยู่เนาะเป็นผู้บวชอา จ, จากสมณะเพราะว่าต้องข้อนึคือกำลังจะไปเป็นภิกษุณีเขาเรียกว่าเป็นศิษยาานาแต่สามเณรคือบวชแล้วสามเณ ร, รีคือบวชคือถือศีลศิษยาบท1สิเหมือนกันแต่หมายถึงว่าพอขนาดที่จะเป็นศิษามานาเนี่ยมีพิธีอีกไหมพิธีบวชไม่ไม่ใช่พิธีบวชะเป็นเขาเรียกว่าขอิาาน า, นานสมมติก็คือว่าอ๋อก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นนักบวช ก็ยังอยู่ในเขตของสา ม, มนเณรีคล้ายๆกับว่าดูพฤติกรรมหรือมาดูอะไรต่อไปอีกให้มีการใบ้ว า, างใจกันในหมู่พิษุนีสงฆ์ว่าไว้วางใจว่าให้ให้อุส้สมบทได้ไหมอย่างเงี้ยประมาณนนนมมนเนี้ยเนาะแสดงว่าการบวชก็มีอ่าสามเณรกับพิกษุแล้วกับสา ม, มนเณรีแล้วก็ภิกษุนีอันนี้ก็คือความการบวชที่มีมานา ม, มาในพุทธศาสนาที่ได้รับการยอมรับหรือออกมาจากพุทธบัญญัติของพระสมัมมาสัมพุทธเจ้า ทีนี้เมื่อการบวชมีอยู่แค่นี้การบวชนอกเหนือจากนี้ถือว่าผิดไหมผิดไหมบวชเป็นสามนเณรบวชเป็นพิกษุบวชเป็นสามนเณรีบวชเป็นภิสุณีอันนี้คือพี่พระองค์ทรงมั่นยับและแบบวิธีมีมาหมดตามหลักข้าใจบิดกหากมีการบวชนอกเหนือจาก4ประการนี้ถือว่าผิดไหม ก็ไม่ใช่ใช่ไหมถือว่าผิดถือว่าไม่ใช่แล้วการบวชพราม์ล่ะซึ่งไม่ได้มีแบบมาในพุทธศาสนาแต่ก็มีขึ้นในปัจจุบันนี้การบวชพรามณ์ไม่ได้มีมาในพระพุทธศาสนาแต่ก็มีขึ้นในศาสนาพุทธของเราในปัจจุบันนี้โดยพระพิสุเป็นผู้บวชให้ผิดไหมแล้วบวชเป็นชีล่ะไม่มีมาในพุทธศาสนา แต่ก็มีการบวชขึ้นแล้วปรากฏว่าการบวชสองแบบเนี่ยแบบแบบพรามณ์กับแบบชีสงยอมรับได้ซึ่งไม่เคยมีในพุทธศาสนาเลยสงยอมรับได้แต่การบวชเป็นภิกษณุณีซึ่งมีมาแล้วในครั้งพุทธกาลแบบวิธีสอนไว้บทแต่สงยอมรับไม่ได้มันคืออะไรสงไปยอมรับการบวชที่ไม่มีมาในหลักคําสอนนั้น ไปยอมรับในการบวชแบบนั้นได้โดยไม่มีความรู้สึกขัดต่อพระธรรมมิมัยนเลยว่าสิ่งที่ทํานั่นขัดกับพระธรรมวิมมีหนหรือเปล่าแต่พอความบวชการบวชแบบพิกษุณีสงฆ์ซึ่งเขาบวชมาโดยความถูกต้องแต่รู้สึกว่าขัดกับพระธรรมมมมีไนแล้วไม่ยอมรับมันคืออะไร มสอนเห็นว่าพวกเราไม่ได้รู้หลักคําสอนของพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเราไม่ได้เข้าใจหลักคําเมื่อมีในอย่างแท้จริงมันเป็นการอ่อนด้อยทางทางปัญญาแล้วเราไม่สามารถขับเคลื่อนความเป็นไปของศาสนาให้ดําเนินไปในทางที่ถูกต้องได้เราจึงหยุดอยู่เพียงแค่ความเชื่อและหลักประวัติศาสตร์อะไรบางอย่างที่ปลูกฝังภายในความรู้สึกของเราเรื่องเบางเรื่องที่เราถูกปลูกฝังมามันไม่ใช่ว่าจะถูกเสื่ทั้งหมด อาตมาเองเนี่ยได้เชื่อมาโดยตลอดในเขาตั้งแต่รู้เรื่องในใ<ช>เรียนอยู่ในแวดวงของการเรียนการศึกษาในไหนก็ตามอ่ะอาตมาเชื่อมาตลอดว่ากระเทยะบวชไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นบรนดอสบันดอสเนี่ยถูกสอนมาตลอดคือกระเทยนี่คือเรื่องของเราทาัง ทางสังคมที่ปลูกฝังมาโดยความเชื่อว่าเชื่อว่าบันดอคือกระเทยแล้วก็มีปฏิฆาตต่อกระเทยอยู่ตลอดเวลาว่าบวชไม่ได้แต่แท้ที่จริงแล้วบันดอไม่ใช่กระเทยบรนดอคือผู้ไม่มีเพศกระเทยมีเพศไหมเป็นเพศชัดเจนเลยใช่ไหมเป็นเพศชายแต่กิริยาเขาแสดงออกคล้ายหญิง แต่ผู้ได้เจ้าบัญญัติเพศแต่อาการที่แสดงออกปพงไม่ได้ไปเกี่ยวข้องเลยพระงไม่ได้เข้าไปคุกคามหรือว่าไปจํากัดหรือไม่ใช่บีไปไปไปไปสร้างเงื่อนไขในธรรมชาติในตัวของเขาอง์มไม่ได้ไปยุ่งกับพวกนั้นแต่พงบอกว่าบรรดาะเนี่ยคือพวกไม่เพศไม่ปรากฏเช่นพวกขันธีใช่ไหมหรือเกิดกําเนิดมาตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่เกิดเนี่ยไม่มีเพศเลย ม, มีสิไม่มีเพศเลยมีหรือมีสองเพศก็บวชไม่ได้ต้องทําลายเพศใดเพศหนึ่งก่อนบางคนมีสองเพศมามาพร้อมกันเลยในคนคนหนึ่งต้องทําลายเพศก่อนเพศใดเพศหนึ่งก่อนแล้วเอาถือเอาอีกเพศหนึ่งถ้าจะเอาไปหญิงก็เอาหญิงเอาชายก็เอาชายพ่อว่าอะไรทําไมผู้เจ้าไม่ให้บวชกระเทย เอ้ไม่ใช่ บ, บรร /doc บรรูทำไม่ได้เพราะเขาเรียกว่าเป็นอเหตเหตุุกข์เหตุหตมีไม่มีเหตุเพียงพออ่าที่จะบรรู้แต่กระเทยนะ่ยเขามีเหตุที่จะบรรู้ทำกทบับเธอเนี่ยบรรู้ทำได้นะเข้าใจไหมสามารถทำาามาสละให้สิ้นได้ในปัจจุบันนี้บวชได้ด้วยเพียงแต่ว่าเมื่อเข้ามาบวชแล้วกิริยาที่ตัวเองแสดงออกจะต้องไม่เอ็งเอียงไปในเรื่องของ อะไรผิดผิดเพี้ยนะจากธรรมชาติของเพศถ้ากิริยาไม่แสดงออกบวชได้เมื่อนั้นสิ่งที่ถูกเชื่อมาตลอดว่ากระเทยบวชไม่ได้กระเทยบวชไ่ไ ด, ด, ไไดพอมาอ่านคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมันล้างความรู้สึกทั้งหมดออกไปเลยเรื่องมึเงเรื่องที่ถูกปลูกฝังมาไม่ใช่สิ่งที่เราจะสามารถเชื่อถือได้ถ้าเราไม่ขบคิดแลวไม่มีปัญญา ถ้าเราไม่เข้าใจหรือแม้แต่ผู้หญิงก็ตามที่มีเพศเป็นหญิงแต่แสดงออกเหมือนชายบวชเป็นภิกษุณีได้บวชเป็นสา ม, มนเณรีได้เพราะเขาไม่ใช่บรณฑ์เขามีเพศชัดๆอยู่แล้วเนีย่ยเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราศึกษาแล้วขาดการขบคิดปอบปฏิศาสตร์บอกว่าภิกษุณีขาดศูนย์ไปแล้ว ไม่ควรที่จะมีการบวชอีกและไม่ควรที่จะยอมรับให้ทิบบวชพามกับบวชไม่ชี้ไม่เคยมีมาในหลักคําสอนทําไมยังถือยึดถือบวชมาได้ไไดแล้วยังยอมรับกันได้ไทีนี้เราก็ต้องย้อนกลับไปว่ า, <c oughs> เ, าเริ่มแรกนั้ น, นภิกษุณีขอผู้ทีเจ้าบวชนั่นนะู้ที่เจ้าอนุญาตให้บวชไหมตอนแรกก็ไม่ให้บวชแต่ภายหลังอนุญาตให้บวชใช่ไห ม, มให้ใครบวช นายประชาบดีโคตมีนั่นแหละใครเป็นผู้บวชให้ <A. S 1> ฮ ะ, ะสงสิพรอนงค์คนเดียวบวชได้ที่ไหนเล่า <A. S 1> เผ อ, อสงเป็นผู้บวชอานอนท์เป็นเพียแค่เอพระอาอนอน์เป็นเพียงแค่ผู้ขออนุญาตเท่านั้นเองสงเป็นผู้บวชจะไหมพระพุทธเจ้าเอ๊ะแปลกเดี๋ยวด้พระุทธเจ้าบอกว่านางประชาบดีโคตบีนั้น บวชโดยขลุ่นทำแปดแล้วเรียบร้อยสําเร็จแล้วแต่ภิกษุณีนางอื่นหมายถึงว่านางสาวกิยานีนางสาวกิยานีคือผู้ที่ เ, เตรียมที่จะบวชติดตามนางประชาโคบดีประชาบริโคตมีเป็นนางสาวกิยานีนางสาวกายาจะขอบวชเนี่ยผู้หญิงให้สงฆ์บวชให้ใช่ไหมแต่นางประชาบริโคตมีเนี่ยไม่ต้องให้สงฆ์บวชคือบวชโดยรับขลุ่นทำแปดประการไปเรียบร้อยแล้วอันนี้คือด่วนตัตตรงมันเป็นเป็นข้อพิเศษอันหนึ่ง สำหรับผู้ท้าองที่จะมีข้อพิเศษสำหรับนางประชาบดีโคตมีแต่นางสากิยานีเหล่าอื่นนอกจากประชาบดีโคตมีรวมถึงนางสิริมหามไม่ใช่ขอไปนางยศโธทลาก็ต้องให้สงบวชถูกต้องไห ม, มสงบวดให้พรเดียไม่ได้บวตให้ นั่นเท่ากับว่าสงสามารถบวชภิกษุณีสงได้ไม่เกี่ยวว่าจะขาดสายหรือไม่ขาดสายสงสามารถบวชเป็นภิกษุณีได้ทีนี้ในภายหลังในภายหลังมาภิกษุณีสงก็เกิดปัญหาขึ้นมาว่าเรื่องบางเรื่องที่ภิกษุณีไม่สามารถบอกต่อภิกษุได้ในขณะที่บวชคือบอกเรื่องราวเฉพาะของความเป็นหญิงน่ะ กับพระภิกษุซึ่งให้การอุปสมบทได้พอบางทีเป็นเรื่องส่วนตัวอย่างเช่นก็ถามว่าเลือดออกมาเป็นปกติหรือเปล่าเป็นประจำเดือนหรือปกติหรือเปล่าอะไรประเภท น, นี้คล้ายๆกับว่าอายที่จะกระตอบก็เลยไปร้องขอต่อพระพุทธเจ้าบอกว่าเรื่องพวกนี้ขอให้ภิกษุณีสงุปสมบทกันได้ได้อุปสมบทบทกันเองได้ไหมเพราะคิ ต้องไปถามถามกับพระพิสูจน์เนี่ยพิสูจนีบางงงอายคนที่จะบวชอายไม่กล้าที่จะตอบพระยากรบอกได้ให้ภิสูจนีสงฆ์บวชกันเองนั่นหมายถึงพระเจ้ามอบความเป็นใหญ่ให้กับพิกษุณีสงฆ์ในเรื่องของการอุปสมบทแล้วแต่เมื่อบวชแล้วจะต้องมาให้พิสูจสงฆ์ยอมรับหากภิสูจสงฆ์ยอมรับก็คือสําเร็จแต่จริงจรินะมันสาเร็จตั้งแต่บวชเป็นเป็นพิสษุนีสงฆ์แล้วนะ ตั้งแต่พิสูจนิสงบวดให้กันแล้วน่ะสําเร็จแล้วนะเพียงแต่ว่ามามาให้สงรับทราบเท่านั้นเองคือภิกษุสงหะรับทราบแต่อํานาจในการบวชมันสําเร็จตั้งแต่เป็นภิกษุณีสงภิกษุณีสงผู้เป็นอุปชาอุปชาของเหล่าพิสูจนิทั้งหลายเนี่ยเมื่อบวชเสร็จแล้วปุ๊บก็สําเร็จเป็นพิกษุณีคือสําเร็จแล้วนะ ก็พากันมาหาพิกษุสงเพื่อให้พิสุสงรับทราบมาแจ้งให้พิษุสงรับทราบพิษุสงก็ประชุมสงกันแล้วทําการรับทราบว่าผู้นี้เป็นพิกษุณีสงสมบูรณ์แล้วการอุปสมบทนั้นจึงเป็นของสมบูรณ์ทีนี้ความสมบูรณ์คืาว่าเป็นการบวชในสงสองฝ่ายแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่การบวชในสงสองฝ่ายเขาพูดว่าบวชในสงสองฝ่ายคือในในคำเขียนบอกว่าบวชในสงสองฝ่ายแท้ที่จริงแล้วบวชในพิสุณีสงฝ่ายเดียว แล้วมาให้ภิกษุสงฆ์ยอมรับไม่ใช่ทําการบวชซ้ําอีกภิกษุสงฆ์จะสมบูรซ้ําอีกไม่ได้มันก็จะยัตติจะตุธกรรมซ้อนกันมันมันทำกรรมซ้อนกันไม่ได้ภิกษุณีสงฆ์ยัตติจะตุธกรรมเรียบร้อยแล้วก็คือเป็นอันสําเร็จแล้วเพียงแค่ทสงรับทราบสงไม่ได้มีหน้าที่ในการบวชภิกษุณีสงฆ์นะทีนี้เมื่อภิกษุณีสงบวชกันได้นั่นเท่ากับว่า การบวชในกลุ่มของภิกษุณีสงฆ์นั้นชอบทำเพราะบวชกันได้เป็นเพียงแต่ว่าสง์ไม่ยอมรับความเป็นภิกษุณีสงฆ์ที่ภิกษุณีสงฆ์บวชกันเองในยุคนี้นะในครั้งพุทธการเขายอมรับนะว่าภิกษุณีสงฆ์บวชมาภิกษุสงฆ์ต้องยอมรับแต่ในปัจจุบันนี้ภิกษุณีสงฆ์บวชมาภิกษุสงฆ์ไม่ยอมรับสงต่างหากภิกษุสงฆ์เนี่ยผิดพาด แต่พิสุสงผิดพลาดก็ไม่ได้ยอมรับความผิดพาดเขาก็บอกว่าแล้วมูลเหตุแห่งการที่จะก่อนที่จะมาบวชเป็นภิกษุนีสง์พิกษุนีสงมาามมสม์มาจากไหนก่อนที่จะมีมีการบวชสืบกันมามาจากไหนให้ไปไล่มาเนี่ยเชื้อสายในการบวชไล่มาเพราะธรมรมดาของคนธรมรมดาธรมรมดาเนี่ยจะมาตั้งก๊กแล้วบวชกันขึ้นมาเลยเนี่ยมันไม่ได้แน่นอนว่า คนที่สืบการบวชมาอาตมาเชื่อว่ า, ามีความเชื่ออยู่ภายในนะเชื่อโดยการวิเคราะห์เนี่ยเชื่อว่าหากเขาไม่ทราบหลักของการบวชมาแต่ดั้งเดิมของการบวชในเชื้อสายของการบวชในทางพิษุนีสงฆ์หากเขาไม่ทราบหลักการวิธีบวชเขาสามารถอุตริบวชขึ้นมาเป็นพิกษุนีสงฆ์ในพุทธศาสนาได้ไหม คล้ายๆกับว่าคิดกันขึ้นมาว่าเออถ้ามีนักบวชผู้ชายก็ต้องมีนักบวชผู้หญิงเราก็ขอบวช เ, เป็นแบบเป็นแบบพระพิสูดด้วยโดยใช้ข้อวัดปฏิบัติตามพระพิสูจนแล้วเขาคิดกันขึ้นมาในลักษณ ะ, ะยอย่างเงี้ยโดยที่ไม่มีแบบไม่มีตําราไม่มีพื้นฐานและก็ไม่มีการให้ข้อมูลจากคนคนรุ่นก่อนมาเนี่ยเขาก็คิดบวชกันไม่ได้หรอกแน่นอนมันคิดบวชกันไม่ได้ แสดงว่ามนต้องมีแบบมากกอนแบบนั้นมาจากใครมาจากที่ไหนมันก็ต้องมาจากผู้บวชนั่นแหละผู้ที่เขาเคยเคยเค ย, เคยบวชมาหรือว่าเขาอาจจะดำรงผู้เป็นนักบวชอยู่อยู่แล้วมีอยู่แล้วเพียงแต่ไม่แสดงชัดหรืออาจจ ะ, อ, ะอยู่ในรูปแฝงคือผ่านการบวชมาแล้วและยังไม่ได้ลาสิกขาแฝงอยู่ในในในเพราะในภาวะนั้นอ่ะมันมันถูก ส, สงครามผู้ขามอยู่ เขาต้องอยู่ในแฝงอยู่ในระดับของชาวบ้านแต่เมื่อสองครามสงบพระก็ตั้งสังคมสงข์ขึ้นมาการตั้งสังคมสงข์สังคมสงข์ขึ้นมาไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อไม่ได้ตั้งขึ้นมาแบบว่าอุตริตั้งขึ้นมาเลยมันเป็นไ ป, นปนไม่ได้แสดงว่าเขามีการเขาเรียกว่ามีมูลเหตุที่เขาเป็นภิกษุณีสงฆ์กันอยู่แล้วในความเป็นอยู่ มีเชื้ออยู่แล้วแน่นอนอ่ะมีเชื้อสายสืบกันอยู่แล้วอ่ะเขาจึงมีการอุปสมบทกันมาสืบเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่อยเรื่อยเื่อยถ้าไม่มีแม่ไก่ลูกไก่มันก็ไม่มีมันก็ออกไข่ไม่ได้ใช่ไหมล่ะแสดงว่ามีเชื้อมาแต่เดิมอ่ะมันมีสังคมวิสุนิสงมันมีมามาแต่เดิมอยู่นะจึงสามารถอุปสมบทกันมาได้เป็นเพียงแต่ว่าคณะสงฆ์จะยอมรับหรือเปล่าทีนี้คณะสงฆ์ในไต้หวันยอมรับคณะสงฆ์ในศรีรังกายอมรับ แต่ก็ไม่ชยอมรับทั้งหมดอ่ะคือยอมรับแบบเครือบแคลงอ่ะเข้าใจไหมเครือบแขลงจริงศาสนายังไม่เส้นมันก็ต้องมีที่สุนเนยอยูเพรามาจากพระพุทธเจ้าใช่เพราะวาศาสนามีอยู่ <ๆ S 3> <ๆ S 2> ถ้าสมมติศาสนาหมดที่สุเนยมันต้องหมดใช่ถ้าคิดแบบ น, นี้ก็เพราะฉะนั้นแล้วปัญหาเอ่อความจําเป็นหรือว่าหลักการมาอยู่ที่ว่าหนึ่ง คุยว่าให้ภิกษุณีสมบทกันเองได้สองเมื่อบวชแล้วต้องมาให้สงรับทราบพอสงรับทราบแล้วสงกลับไม่ยอมรับอันนี้สงต้องแก้ไขสงต้องแก้ไขแล้วที่พูดมาสรุปแล้วภิกษุณีสงควรมีหรือไม่ควรมีถ้าพวกผีผควรมีอยู่ควร ม, มีอยู่ศาสนาอยู่สาสอยู่ภิกษุณีสงควรมีอยู่ คือยอมรับความเป็นแม่ชีได้ยอมรับความเป็นแม่พามได้แต่ยอมรับความเป็นพิษุนีไม่ได้นี่คือข้อแตกต่างที่จะต้องนำไปคิดมันคืออะไรสงฆ์ทำอะไรสงฆ์ได้ตื่นตัวกันบ้างหรือเปล่าเขาก็บอกว่าความเป็นภิกุณีสงฆ์คือปัญหาอย่างหนึ่งในความเป็นเพศของนักบวชเป็นปัญหาอย่างไง คุยว่าก็ควบคุมปัญหานั้นด้วยบทแล้วด้วยหลักของพุทธบัญญัติมันจะเป็นปัญหายัางไงก็ตามปัญหานั้นมันมีแน่นอนอะ่ะพิกษุยังมีปัญหาเลยใช่ไหมเดี<ะ>๋ยวว่าแต่พิกษุนีสงเลยพิกษุยังมีปัญหาเลยเมื่อมันมีหลักธรรมหลักวินัยควบคุมอยู่ทำไมไม่เชิดชูหลักธรรมหลักวินัยขึ้นม า, มาใช้ให้มันเป็นประโยชน์ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าพิกษุณีสืบเชื้อสายมาจากไหน อาตมาเชื่อว่ามันมีเชื้อสายอยู่แล้วเขาถึงสามารถทํากันได้เพราะมันอุตริทําขึ้นมาเองไม่ได้หรอกขอยืนยันว่ามันมันอุตริคิดทำขึ้นขึ้นมาเองไม่ได้รอมีปู่มีย่ามีตามียายจึงจะมีพ่อมีแม่มีเราใช่ไหมหรออ่ะมันมันก็ต้องสืบเชื้อกันมาอย่างนี้มันไม่มีแล้วมันจะมาทํากันได้หรือจะให้ภิกษุเอาถ้าจะบอกว่าไม่มีภิกษุณีสงฆอภิกษุณีสงฆไม่สามารถ ไม่ขาดเชื้อสายแล้วปั๊บเนี่ยอาจรยจะพูดพูดถึงในชั้นของการขาดเชื้อสายนะถามว่าสงภิกษุสงยังมีอํานาจบวชได้ไหมภิกษุสงยังมีอํานาจบวชได้ไหมใช่ก็น่าจะได้ไม่ใช่ว่าน่าจะได้ไดเพราะอะไรรู้ไหมพพอผู้ย่อบอกว่าอนาคตการคณะสงฆ์จัดมีอํานาจสามารถสามารถจัดการหรือว่าตัดสินในการกระทําสังฆกรรม ในกิจของสงฆ์ทั้งหมดได้สังฆกรรมของสงฆ์คืออะไรตั้งแต่ประโกสังฆท า, านรับกะถิ่นให้อภานสวนปฏิโบคบวชภิกษุบวชภิกษุณีสงฆ์ได้เพราะการบวชภิกษุณีสงฆ์ครั้งแรกคือให้ภิกษุสงฆ์บวชใช่ไหมนั่นหมายถึงว่าให้ผู้หญิง่ที่ปริฐานจะบวชเข้าไปสู่ ไปไปแจ้งประกาศตนเองต่อบภิกษุสงฆ์เลยขอให้ภิกษุสงฆ์บวชให้เพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าอนาคตการต่อไปอำนาจทั้งหมดจะตกอยู่กับสงฆ์สงฆ์จะเป็นผู้ตัดสินในการกระทําสังฆกรรมต่างๆได้ก็ให้ภิกษุณีสงฆ์รุ่นแรกที่ไปบวชกับให้ไปบวชกับพระภิกษุยอมบอกยอมบอกอเรื่องที่จะต้องซักถามกันนะ่ะแม้เป็นเรื่องที่น่าละอายก็ตามต้องยอมบอกเหมือนกับภิกษุณีสงฆ์รุ่นแรก ที่พระเจ้าอนุญาตให้สมบวชให้นะต้องยอมบอกอย่างนั้นเข้าใจไหมบงคคลทางฝ่ายภิศูกก็แย้งขึ้นมาว่าไม่กล้าขัดพระบัญญัติว่าเรื่องนี้จะต้องในเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องของพุทธวิสัยว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงอนุญาตได้ก็พระพุทธเจ้าอนุญาตให้สงมีอำนาจหน้าที่ทั้งหมดแล้วในสังฆกรรมของศาสนานี้พอพระองค์ไม่ทรงอยู่พระ ก, ก็มอบหน้าที่ให้กับสงแล้วทำแล้วทำไมสงสามารถ ทำสังฆกรรมในเรื่องอื่นได้ทั้งหมดทำสังฆกรรมเรื่องกระถินได้เลยทำไมไม่รอพระเจ้าแล้วทําไมสังทาสังฆกรรมในเรื่องการบวชภิกษุณีสง์ทําไมบวชไม่ได้ก็ให้คนธรรมดาเนี่แหละผู้หญิงนี่แหละที่อยากจะบวชน่ะเข้าไปสู่สังคมสงฆ์แล้วประกาศตนมาขอบวชเป็นภิกษุณีสงฆ์ก็รับขลุธรรมแปดประการก่อนใช่ไหมกินนานเท่าไหร่ ไม่ได้กําหนดตามเท่าที่ว่าสงเห็นสมควรใช่ไหมไม่กําหนดคือวันเดียวก็ได้เหรอผูรู้ทำหมายถึงว่าต้องปฏิบัติช่วชีวิตอ้าวชั่วชีวิตอยู่แล้วคือยอมรับได้ใช่ไหมต้องต้องต้องให้ตัวนี้ก่อนยอมรับได้ไหมว่าจะสามารถทําได้ตลอดชีวิตอ้ายอมรับได้จากนั้นคือเป็นสามาเณรถูกต้องไหมบวชเป็นสามเณ ร, รีก่อนนะอ้าวสงก็บวชได้เนี่ยสามเณ ร, รีบวชเป็นสามาเณรแล้วเพราะ ผู้ที่จะบวชเป็นพระภิกษุต้องผ่านการบวชเป็นสามเณรก่อนเหมือนกันทุกคนต้องผ่านเป็นสามเณรหมดนะโยมชาติจะมาบวชโยมชาติต้องไปบวชเป็นสามเณรก่อนคือกิจพิธีเป็นอย่างนั้นแล้วค่อยอุปสมบทเป็นภิกษุสงฆ์ทีนี้พอบวชเป็นสามเณรเนรีแล้วปั๊บสิกขามาณใช่ไหมล่ะสิกขามาณนี้ต้องให้สองปีแต่ต้องเป็นนางเออบวชสามเณร นั่นแหละหมายถึงว่าเราจะต้องย้อนกลับไปสู่ย้อนกลับไปสู่การปวดแบบแบบเริ่มแรกที่สงบวชให้แรกๆเลยนะ่ะสงเขาบวชให้ยังไงต้องกลับไปบวชอย่างนั้นสงมีอํานาจไม่ใช่ไม่มีอํานาจแต่สงไม่ยอมใช้อํานาจของตนในทางที่ถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยแต่ไปใช้อํานาจในเรื่องที่ผิดธรรมผิดวินัยกันเยอะไม่ใช้อํานาจในทางที่ถูกตัวเนี้ย สงส่วนใหญ่สงในชั้นของการปกครองนี่แหละพูดไปก็พาดพิงกันอีกแต่ไม่ได้พูดเพื่อพาดพิงพูดเพื่อให้คิดเพื่อให้ขยับแล้วตื่นตัวกันขึ้นมาบ้างมันมีขึ้นมาแล้วอย่าปล่อยให้มันเป็นเรื่องที่คาราคาสังเป็นเรื่องที่คาใจกันอยู่ไม่กระทําอะไรให้มันกระจ่างออกมาสงสามารถบวชได้ผู้เจ้ามอบอํานาจสิกขาทั้งหมดให้กับสงใช้อำนาจอนั้นสิภาษาสระพูดบอกว่าตถาคตไม่สามารถที่จะดํารงอยู่นในในศาสนาในดำรงชีวิตได้ไปตลอดกาล หาพวกเธอทั้งหลายถวายสังฆทานต่อสงฆ์ก็เท่ากับบูชาตถาพจน์และบูชาสงฆ์เพราะอะไรเพราะต่อไปนสงฆ์จะเป็นผู้มีอำนาจแม้พุทธองค์ยังต้องเคารพสงฆ์เลยเอาจริงๆนะพพุทธเจ้ายังเคารพสงฆ์เลยนะมติของสงฆ์ว่าอย่างไรงพค์ก็ต้องยอมรับมติของสงฆ์ด้วยแต่เรื่องของพระบัญญัติเป็นเรื่องของพุทธองค์ก็จริงแต่เรื่องราวของสงฆ์เนี่ยพง์ก็ให้ลงมติกันมาสงฆ์ควรจะใช้ชีวิตร่วมกันอย่างไรในสังคมสงฆ์ นราควรจะจัดการกับพิษุณี ส, สงอย่างไรพวก็จัดการวางไม่หมดอย่างเี้ยจะให้วางไงท่านาจารลาสมัยพุทธกาลไม่มีณรเพราะว่ารับพุทก็เป็นพิจุนีเลยไม่ใช่ไม่ใช่รับพรุธธรแล้วเป็นพิษุนีเลยนั่นคือนางประชา บ, บดีโพธมีผููเดียวแล้วก็พี่ว่าสิขาณก็มีงเพราะว่ามีมีน นั่นมีมูลเหตุใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่านะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วนะย้อนกลับไปการบวชครั้งแรกเลยไม่ต้องมีนางศิีขามานาะทําได้ไปตั้งแต่เอาพูดง่ายๆ ไ, ไปศึกษาเรื่องพระวินัยตรงที่ว่าสมกลุ่มแรกที่บวชให้ภิกษุณีนั้นน่ะครั้งแรกนั้นน่ะทำอย่างไรให้บวชอย่างนั้นทําได้ทําไมจะทําไม่ได้ แล้วเมื่อบวชชุดแรกได้แล้วชุดต่อมาเนี่ยถึงจะให้พิกษูนีสงบวชกันเองแล้วมาให้สงยอมรับอย่างเงี้ยมันถึงจะถูกเพราะฉะนั้นปัญหาไม่ได้อยู่เรื่องของภิษุณีว่าเป็นไปเป็นมาอย่างไรปัญหาอยู่ที่ว่าสงสงเนี่ยทำไมไม่ไดำเนินการในวิธีการที่ถูกที่ควรในสิ่งที่สงควรกระทำจะมาตัดรอนประกาศออกมาท่าเดียวว่าห้ามบวชเป็นภิษุณี เออพูดเรื่องนี้ก็คงจะเป็นที่คึกโครงกันไม่ไหวอ่ะมันมันขัดแย้งกันไปเยอะมันก็มันก็ขัดแย้งกันอย่างนี้เห็นไหมมันเลยไปไหนไม่ได้ชะงักกันอยู่อย่างเงี้ยอะไรก็ไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้ค้ากันอยู่เนี้ยค้ากันกี่ปีกี่ชาติค้ากันอยู่อย่างเงี้ยศาสนาก็อะไรก็ไม่รู้ในแวดวงของศาสนาสำนักพูดสำนักเพื่อสำนักที่ไหนๆก็ตามกรมศาสนาเนี่ยวุ่นอยู่กับเรื่องเงินเรื่องทองเลย่านหนะ่ง ก็เป็นอย่างนั้นี่ไม่ได้เคยคิดในเรื่องที่จะสร้างสรรค์ศาสนาไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับศาสนาแต่สแสวงหาประโยชน์จากศาสนาอยู่มันก็เลยไม่สามารถที่จะคิดในหลักของปัญญาหลักธรรมหลักพิไนายในศานสน า, านี้ให้พัฒนาเป็นไปได้พม่าเขายังมีภิกษุณีสงพม่เขาก็ยังยอมรับ สงในเมืองไทยนี้มันโหใหญ่ย่าว่าเลยปากมันพอที่มันมุมันจะพานไปหาคนนั้นพานไปหาคนนี้ไอปากอันนี้นอาตมาก็นีไซนมีดีนะ <c oughs> นิสัยมีดีมาตั้งแต่สมัยอยู่คูบาอาจารย์นะพระที่อยู่คูบาอาจารย์ไม่มีใครกล้าเถียงหลวงปู่คาสุขอาตมากล้าเถียงกับหลวงปู่คําสุขว่าเถียงสักกันโศกเวงโวยวายกนจนจนลั่นวัด คนก็แห่มาดูพวกแม่ชีแม่าพามทั้งหลายอยู่ที่วัดแห่กันมาเอา้าพระอาจารย์กับลูก ป, ปู่เป็นอะไรกันน้อว่ะโยมก็มาดูโยมจะบอกมอมใจเย็นเย็นมอมคือบวชใหม่อยู่ตอนนั้นอนะ่ะเขาเรียกว่ามอมมอมใจเย็นเช่นใจเย็นเช่นขึ้นเสียงกับลูก ป, ปู่โอ้จะไหวเลยว่ะเราก็คือเราอยากทราบเหตุผลเท่านั้นเองเราไม่ได้ต้องการอะไรมากมายแค่อยากทราบเหตุทราบผลทราบความจริง แต่เท่านั้นแหละแต่พอมันรู้ความจริงอะไรมันยอมหมดแล้วมันก็ยอมมันก็ไม่ได้ดื้อไปตลอดหรอกมีนม่ันไม่ได้ดื้อไปเพื่อที่จะไปขวางหูงขวางตาขวางอะไรใครหรือทำลายใครยุ่งเพื่อที่จะรู้ขัดเพื่อที่จะรู้ดื้อเพื่อที่จะรู้นะอย่ายอมโดยการที่เขาปูฝังอะไรให้แล้วก็ยอมเข้าไปทั้งหมดว่านั้นใช่นั้นถูกนั้นจริงเหมือนกำลังจะออกแบบให้คนคิดแบบเดียวกัน คิดต่างกันไม่ได้กระทำแบบเดียวกันกระทำผิดจากอันเดียวกันไม่ได้อย่างที่พูดถึงเมื่อตอนเช้าเนี่ยจะบังคับให้มะพร้าวออกลูกมาเป็นมะม่วงจะบังคับให้ขนุนออกมาเป็นมะม่วงจะบังคับให้กล้วยออกลูกมาเป็นมะม่วงจะบังคับให้ทุเรียนออกลูกมาเป็นมะม่วงแต่ไม่ยอมให้ธรรมชาติของสิ่งนั้นเป็นของสิ่งนั้นโดยธรรมชาติของมันบังคับให้คน คิดเรื่องเดียวกันทำเรื่องเดียวกันทำนอกคิดนอกเหนือจากเรื่องนี้ไม่ได้ทำนอกเหนือจากเรื่องนี้ไม่ได้แบบวิธีจารีตประเพณีบังคับให้ทำอย่างไรทำอย่างนั้นทำผิดอย่างนี้ผิดมันคืออะไรมันคือการทำร้ายมรดกทางปัญญาที่พระพุทธเจ้า พยายามมอบไว้ให้กับพุทธศาสนิกชนครั้งพุทธกาลพุทธเจ้าไม่ได้บังคับให้ใครเป็นแบบมหากรสปะพุทธเจ้าไม่ได้บังคับให้ภาษาลีบุตรเป็นแบบพระโมคคัลลานะไม่ได้บังคับให้โมฆะโมคคัลลานะเป็นแบบภาษาลีบุตรและไม่ได้บังคับพรมหากัสปะให้เป็นแบบพระอนุรทธะไม่ได้รับบังคับพระอนุทุทธะให้เป็นแบบพระอานุ์ไม่ได้บังคับพระอานนุ์ให้เป็นแบบพระัญญากรทัญญาผู้องค์ปล่อยให้ธรรมชาติของสิ่งใดก็เป็นของสิ่งนั้น พงศ์สอนแค่ทางสายกลางมันเป็นกลางแต่ละสิ่งที่เป็นธรรมชาติของตัวเองเข้าไปเดินตามสายกลางยังไงเดินตามธรรมชาติของตนเองอันนี้ศาสนาจะบังคับให้คนทําแบบเดียวกันคิดแบบเดียวกันมีพฤติกรรมแบนเดียวกันแปกแตกต่างแยกออกจากเหล่านี้ถือว่าผิดนั่นคือการที่คนในพุทธศาสนากําลังถูกครอบงำ ด้วยอิทธิพลทางสังคมอะไรก็ตามที่ครอบงํามันเป็นไปเพื่อความงมงายแล้วเราก็งมงายกันอยู่แบบแยกกันไม่ออกว่าอะไรถูกอะไรผิดงมงายซะจนแทบจะไม่รู้ข้อเท็จข้อจริงอะไรในศาสนาของตัวเองขอเป็นเพียงแต่ว่าเขาปู่ฟังอะไรให้เราทําอะไรเป็นจารีตประเพณีเราก็ทํำอ น, นั้นตามจารีตประเพณีจารีตกับธรรมะมันคนละอย่างคนละเรื่องมันจะเป็นอในเดียวกันไม่ได้ เห็นไหมจารีตที่บอกว่าบวชชีบวชได้ยอมรับกันไหมรู้กี่ยุ ก, กี่สมัยบวชพรามบวชได้ไม่รู้กี่ยุ ก, กี่สมัยพอมีพิษุนีโผล่ขึ้นมากูยอมรับไม่ได้กูยอมรับไม่ได้สงยอมรับไม่ได้พิกษุนีสงขาดสายไปแล้วชีไม่มีสายมาอย่างไหนยังบวชได้พรามกม็เห็นมีสายมาอย่างไหนเนี่ยทาไมบวชได้พระเป็นผู้บวชให้เลยนะพระสามารถบรวชสามเณรได้พระสามารถบรวชเป็นพิกสุได้ ไม่มีบทบัญญัติไหนให้พระไปบวชแม่ชีไม่มีบทบัญญัติไหนให้พระไปบวชสามเณรีเยอะสามเณรไม่มีข้อบัญญัติเลยโขออภัยไม่มีบทบัญญัติไหนให้พระไปบวชแม่ชี fo และไม่มีบทบัญญัติไหนในทางคําสอนให้พระไปบวชแม่พาม์การบวชชีปาขาวลือศีดาบวเป็นการบวชนอพุทธศาสนาใช่ไหม เป็นการอธิษฐานถือเพศบวชของเฉพาะคนคนนั้นเองใช่ไหมการอ ธ, อธิษฐานถือเพศบวชนั่นอ่ะอธิษฐานถือเพศบวชได้ใช่ไหมแต่ให้พระไปบวชให้น่ะผิดแต่เจ้าตัวเนี่ยปารธนาจะบวชแล้วอธิษฐานเพศบวชตัวเองขึ้นมาเป็นชีประเขาได้อันนั้นอ่ะไม่ผิดอันนี้พระเล่นไปบวชกันเองมีคําบวช ด, ด้วยแล้วก็แต่งคําบวชกันขึ้นมาเองบัญญัติขึ้นมาเอง บัญญัติในสิ่งที่พระเจ้าไม่บัญญัติขึ้นถอดถอนในสิ่งที่พระองค์ทรงอนุญาตไว้เรื่องราวทางสังคมบางเรื่องปู่ฝังมาในทางที่ผิดแล้วก็คิดกันบ้างสิจะให้เชื่อถือถือไปเชื่อทั้งหมดได้ยังไงคําว่ามานะในทางโลกเขาบอกว่าคือความอดทนความบากบานการภาคเพียนต่อสู้ใช่ไหมมานะออมีมานะแต่มานะในทางศาสนาคืออะไร ความถือตัวความเดือดร้อนความมีทิฏฐิที่ยึดถือแล้วไม่ปล่อยวางนี่คือมานะในทางพุทธศาสนาดูหมิ่นคนนั้นดูหมิ่นคนนี้เทียบตนเองกับคนนั้นว่าเราดีกว่าเขาเราเลิศ ก, กว่าเขาเราเป ร, เรศรกว่าเขาเราตํากว่าเขาเราเสบิ้เขาอะไรประเภทนี้นั่นคือมานะไม่ใช่ความบากบันไม่ใช่เรื่องของการความพ่างเพียนเพราะฉะนั้นหลักธรรมทางศาสนาในตีให้ออกแยกให้ออกมันคนละเรื่องกับคําใช้ทางภาษาทางโลกบันดอเหมือนกันอะ บอลด์อทางโลกบอกคือกระเทยในทางพุทธศาสนาบอกไม่ใช่หากเราเข้าใจอะไรผิดบางอย่างมันจะเป็นการปิดกั้นความดีบางอย่างในตัวของคนที่เขาสามารถจะทําความดีขึ้นมาได้บางทีปิดกั้นคุณความเป็นพระอริยเจ้าในตัวของบุคลคลคนที่เชื่อว่าเราไม่สามารถบวชได้เราไม่สามารถบรรลุทําได้คนที่เป็นบนอรด์คือกระเทยนะ ถ, ถูกตีตาว่าเป็นกระเทยนี่บวชไม่ได้แล้วก็บรรลุทําไม่ได้ปิดกั้นมรรคผลของคนนั้นอันตรายมาก การปลูกฝังหรือให้ความเชื่อหรือให้ความหมายในคําบางคําที่ผิดเพี้ยนไปจากหลักคำอังกฤษเสียหายมากและเราก็มีนักปรานเยอะในเมืองไทยมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความรู้มากในทางศาสนาความรู้ของอาตมาแค่ขี่มาแต่ความรู้ของท่านที่จบมหาป ร, ริญญาทำเก้าประโยชน์หรือประเรียนาทำที่สูงกว่านี้ท่านมีเยอะแต่ทําไมไม่ใช้ความรู้เป็นตัวขับเคลื่อนเรื่องราวของาศาสนาให้เจริญงอกงาม แต่ทำไมมีแต่เรื่องหมักมมอะไรที่มันมันจะพาดพาดไปอีกแล้วนะพาดพี่พีเฮ้ยโ อ, โอ้ปากนี่ใช้ไม่ได้ปากอย่างงี้ไม่ควรที่จะมามาพูดสอนใครไม่ค่อยดีอะมันจะพาคนลุกฮือเอ๊พาคนต่อต้านอะไรบางอย่างอนะก็อย่าทําให้เขาต่อต้านสิศาสนาเนี่ยนำมาพูดก็พูด แม่ๆอยู่นี่แหละกับลูกศิษย์ของตัวเองเนี่แหละไม่ได้พูดไปไปไปว่าใครที่ไหนหรอกพูดเพื่อทําให้รู้กระตุ้นความรู้กันขึ้นมาคิดกันบ้างนะอย่าให้ถูกครอบงําด้วยอิทธิพลบางอย่างที่ครอบงําใจเราอยู่แล้วเราก็ถูกครอบงําอย่างนี้มาตลอดคิดต่างไม่ได้คิดนี้ออกจากนี้ไม่ได้เพี้ยนวิบัตหรือว่าเป็นพวกนอกรีดนอกรอย เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องราวของภิกษุนีที่พูดนี้มันเพียงพอแล้วที่จะนําไปสู่การคิดแล้วก็ควรจะสร้างความกระจ่างขึ้นมาในใจของตัวเองดว่าควรมีหรือไม่ควรมีเขาบวชแบบถูกต้องเขาประพฤติแบบถูกต้องก็ควรยอมรับบ้างแต่อันพิสูจนีที่บวชมาไม่ถูกต้องหรือประพฤติแบบไม่ถูกต้องก็อย่าไปยอมรับเพราะการการะทำผู้เจ้าเน้นเรื่องของการการะทำเป็นสิ่งที่มีความสําคัญที่สุดหากสังคมสังคมภิกษุนีสง์ พอพฤ้นอะไรที่เป็นเรื่องผิดจากหลักศาสนาหลักคันลองของธรรมวินัยอันนั้นก็แก้ไขซะอย่างเงี้ยทำให้มันถูกอย่าให้มันผิดต่อไปสืบสืๆกันไปแบบผิดๆมันก็อันตรายหากบวชอาตมาสามารถรวมกกรวมภิกษุภิกษุสงฆ์เนี่ยบวชภิกษุนีสงฆ์ได้นันี่พุทธเจ้ามอบไว้เนี่ยให้เป็นอํานาจแต่น้ผิดทางธรรมวินัยพระเอไม่ใช่ธรรมวินัยมหาเถรสมาคมกฎหมายของพระ มันต้องเป็นพระอุปราชเท่านั้นถึงจะบวชได้แต่ตามหลักธรรมวินเนี่ยไม่ต้องแต่งตั้งก็บวชได้หากอะไรคุณสมบัตคบิครบก็บวชได้หากอยากจะอ ย, กอยากจะบวชภิกษุณีสงฆ์บวชได้แต่ทำไม่ได้หรอกมันอิทธิพลมันเยอะรู้จักอิทธิพลไหมพุทธศาสนาเรามีอิทธิพลเยอะนะอิทธิพล อิทธิพลทางทางอะไรอิทธิพลที่มันมีพลังอิทธิพลที่มันกูสั่งยุบมึงได้อะไรอย่เนี้ยพลังภายในมันเยอะเรอเไ ม, ไม่มีที่จะอยู่ก็ได้อย่างเงี้ยขนาดาศาสนานะนี่พูดเรื่องศาสนารู้สึกมันจะส่งสเกียร บ, บัตในทุกทุกวัน ส่งจดหมายเวียนไปทุกวัดไม่ให้มีการยับยอมรับความเป็นภิกษุณีส<ะ>งฆ์จะหวังเอาประโยชน์อะไรจากศาสนาะไรทีนี้ภิกษุณีสงฆ์ที่เขาทำประโยชน์ต่อศาสนาก็เยอะจะหวังเอาประโยชน์อะไรไม่ยอมรับ ข, ขึ้นมาที่เขาบอกว่าไม่มีชุดกระส่หรือแต่งกายเรียนแบบพระเป็นผู้ผิดกฎหมายไปอีกแต่งกายเรียนแบบพระ เรียนแบบที่ไหนไม่เหมือนผ้าเลยนะสีเหมือนกันเฉยๆใช่ไหมเสื้อเขาคนละอย่างกันเลยนะเสื้อเขาก็คนละอย่างผ้าถุงโง่คนละอย่างผ้าสบายเฉียงอะไรก็คนละอย่างแต่การบิดนุ่งห่มอาจจะเหมือนกันก็เป็นลักษณะของนักบวชอยู่แล้วนี่จะเป็นอะไรไปมีจีวรคล้ายๆกันเขาเป็นลักษณะของนักบวชก็ต้องนุ่งห่มจีวร แล้วทำไมจีวอนจะต้องเหมือนกันอย่างนี้ทุกกันก็เพื่อที่จาบัญญัติอย่างนั้นเนี่สงไม่ยอมใช้อํานาจที่ถูกทำมันก็เลยผิดและขั ด, ขดแย้งกันอยู่อย่างนี้ไปตลอดบางคนก็ยกมาว่าที่ประกาศบอกว่าห้ามยอมรับภิสุนีสงเนี่ยประกาศออกมาจากสมเด็จพระสังฆราเชเอยพูดดังไม่ได้สมเด็จพระสังฆราช เร า, เญญานะถ้าพูดดังนี่มันมันจะกระเทือนเพราะองค์ท่านประกาศมาอย่างนั้นดังไหมเนี่ยเ <c oughs> นี่ยคือพูดไม่ดังแล้วนะอย่าให้มันดังไปนะ <c oughs> พูดเรื่องอื่นดีกว่าถามถามคาถา ม, ถามตอบคาถามดีกว่าถามว่าความฝันมีสาเหตุมาจากอะไรครับความฝันมีสาเหตุมาจากสีสาเหตุ 1. นึาดกำเริบหมายถึงว่าเกิดความเจ็บป่วยภายในร่างกายความเจ็บป่วยสามารถก่อให้เกิดความฝันได้ในร่างกายเช่นเวลาเจ็บป่วยแล้วนอนหลับฝันแล้วเพ้อฝันไป ว่ามีคนจะมาเอามอาีพวกสัตว์ต่างๆสัตว์ร้ายวิ่งไล่และวิ่งห น, องนีอะไรก็ตามที่เป็นเหตุร้ายเนี่ยหนึ่งธาตุกำเริบสองมาจากอะไรลางสังหรณ์ใช่ไหมลางสังหรณ์อะไรนะเทพสังหรณ์เทวดาโดนใจให้ฝัน เทวดาจะส่งสัญญาณเข้าสู่ภายในกระแสแห่งจิตเวลาหลับนอนหลับไปเทวดาส่งสัญญาณเข้าไปอยู่ในกระแสแห่งจิตแล้วก็ใช้ภาพเป็นความฝันขึ้นมาอาันนี้เทวดาดุนใจอันที่สามเอ๊ะทำไมความคิดมันมามันมาสะดุดอยู่ตรงนี้ สงสัยมันพูดเรื่องนั้นไม่จบความคิดมาสะดุดเรื่องนี้หนึ่งธาตุกำเริบเทวดาดนใจสามเนี่ยแต่ก่อนมันตอบได้อยู่เนี่ยแต่ก่อนก็ตอบได้อยู่นี่นะแต่ตอนนี้ทำไมมันตอบไม่ได้ยังไม่สัญญาณไม่เที่ยงฮะ อ, อ, อันอันอันอันที่สี่เป็นบุพภณิมิตหมายถึงว่ า, าไม่เรียกว่ากรรมบันดาลบุพภนิมิตรเป็นเรื่องของบุญของกรรมของเป็นความจริงโดยส่วนเดียวเอาอันแรกธาตุกรรมเลิกผู้เยาว่าไม่เป็นความจริงนะธาตุกรรมเลิกสามารถให้เกิดความฝันได้ไม่เป็นความจริงสองเทวดาเทวาดาดนใจก็ ไม่เป็นความจริงเออจริงบ้างไม่จริงบ้างอาจจะจริงบ้างไม่จริงบ้างเทวาดาดนใจนี่นะก็เชื่อได้บ้างไม่ได้บ้างอันนี้อั น, น, อนที่3จิตอาวรณ์เขาเรียกวจิตอาวรณ์คิดคิดจนเกิดความฝันคิดมากคิดเรื่องนั้นๆมากวิตกกังวลเรื่องนั้นๆมากจนเกิดความฝันอย่างเงี้ยคือคิดจนมันไปไปฉายภาพเป็นความฝันขึ้นในเรื่องความฝันอันนี้ก็ไม่จริง อันที่สบุพนิมิตบุพนิมิตพุทธเจาเป็นจริงโดยส่วนเดียวอย่างเงี้ยเช่นความฝันของอพ่อโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะก่อนจะตัสรู้ศิทธัตถะนักบวชก่อนจะตัดสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธะฝันเรียกว่านิมิต5ประการาเกิดความฝันอันนั้นเป็นความจริงโดยส่วนเดียวเป็นบุพนิมิตเป็นเรื่องราวของความฝันที่เกิดจากแรงของ กมแรงของการบําเพ็ญฉายภาพออกมากเป็นความฝันเพื่อส่งส่งสะท้อนเป็นภาพนิมิตให้บุคคลทราบว่าตนเองจะบรรลุหรือสำเร็จพักผลหรือเปล่าในชาตินี้ตอนที่อาตมาปฏิบัติสมัยเริ่มแรกคิดพิจารณาร่างกายเป็นธาตุสีนิดน้ำไฟลมตลอดทั้งกลวันางคืนมีวันหนึ่งเกิดความรู้สึก นึกอยากจะลาสิขานะพูดง่ายๆอยากจะลาสีขามากนอนหลับฝันฝันว่าเขาให้ไปสร้างบ้านแข่งกันกับอีกคนนึงสร้างบ้านแข่งกันนะไอคนนั้นก็สร้างบ้านขึ้นมาเราก็สร้างเราก็วางเสาวางโคง้งวางอะไรเรียบร้อยแล้วไอคนนั้นก็ทำวางเสาวางโคง้งวางอะไรขึ้นมาเรียบร้อยแล้วพอเราจะทำต่อไปโคง้งโครงสร้างบ้านของอาตมาหนึ่มันล้ม ไอคนนั้นมันยิ่งทํามันยิ่งดีทีนี่ยิ่งทํายิ่งเป็นบ้านสวยงามขึ้นมันไม่ล้มไอเราตั้งขึ้นมาอีกครั้งนึงเพื่อจะแข่งกับเขานะตั้งขึ้นมาล้มอีกตั้งขึ้นมาล้มอีกตั้งขึ้นมาล้มอีกเอ๊ะทำไมว่าสร้างบ้านขึ้นมามันล้มไปทุกทีไอนั้นยิ่งสร้างยิ่งดีไอนั้นยิ่งสร้างยิ่งดีแข่งไม่ชนะเขาแข่งสร้างบ้านนะแข่งไม่ชนะเขาแล้วไอ ก, กรรมการบอกว่าท่านไม่สามารถที่จะสร้างบ้านชนะเขาได้สึกไม่ได้เคขา ม, มันเป็นความคิดอยู่ในภายในคิดที่ยาลาสิขาแล้วมันเกิดเป็นนิมิตขึ้นมาสร้างบ้านไม่สําเร็จล้มทุกทีก็เลยมาตีความหมายว่าการสร้างบ้านเรียกว่าการสร้างภพสังพ้งภพภพคือบ้านที่แท้จริงของเราภพทั้งสาคือกามภพรูปภพอรูปภพมานั่งตีความหมายว่าการมภพรูปภพอรูปภพเป็นบ้านเพราะเราต้องท่องเที่ยวอยู่ในกามภพรูปภพอรูปภพนี้เป็นบ้านหลกัหลกๆบ้านใหญ่ๆของเราเลยมนุษย์นี่เป็นกามภพใช่ไหมกามภพ เป็นรูปประพบด้วยอรูปพบคืออรูปพรมนี่อมนุษย์เป็นทั้งกามปพบและรูปประพบเนี่ยคือบ้านที่แท้จริงของเราไม่ใช่บ้านที่เราทำอาศัยอยู่ในโลกเนี้ยไม่ใช่อันนั้นแค่อะไรเป็นที่พักรอเวลาตายเท่านั้นเองมันสร้างบ้านไม่ได้คือสร้างพบกับเขาไม่ได้ไปสร้างพบสืบต่อพบมันก็ได้อยู่แต่ว่ามันไม่สําเร็จอ่ะมันยังไงก็ต้องวกเข้ามาสู่ทางทางโลกุตตละยังไงก็ต้องหนีออกจากโลก ยังไงก็ไปสร้างโลกสร้างอะไรกับเขาไม่ได้สร้างภพไม่ได้มันเป็นนิมิตอย่างหนึ่งนะเป็นนิมิตอย่างหนึ่งไม่ต้องไปพิจารณามันมีความแปลกๆอยู่ภายในอยู่นะมันจะรู้สึกแปลกๆไ ม, ไม่ใช่ฝันพรำเพื่อไม่ใช่ฝันซ้ำๆไม่ใช่ฝันแบบจิตมันก็จิตปกติจิตก็ธรรมดาเนี่ย แต่มันเป็นฝันแบบมีปีภาวะแปลกๆอยู่ในนมันจะบ่งบอกให้ทราบอยู่อันนี้บุพภณิมิตนะมันก็พูดยากาว่าฝันตอนาเบาเป็นพนิมิตหอตอนที่อาตมาป่วยเนี่ยทานกำเริบป่วยนี่ฝันลายเยอะเหมือนกันนะอันนี้เกี่ยวกับทกำเริบ ก, ก็รู้อยู่อันนี้ก็ตัดไปทานกำเริบเทวดาดนใจให้ฝันเช่น ดนใจให้รับรู้รับทราบเรื่องบางเรื่องก่อนที่จะเกิดขึ้นจริงในอนาคตก็ฉายเป็นภาพความฝันขึ้นว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นแล้วน่าจะเกิดขึ้นก็รับทราบแล้วพอพอเช็คดูว่าความฝันเราฝันแบบนี้มันจะเกิดขึ้นอย่างนั้นจริงไหมมันก็เกิดขึ้นจริงเทวดาดนใจแต่จะเชื่อว่าเป็นจริงเสียทั้งหมดไม่ได้เพราะบางอย่างมันก็ไม่จริง คือเช็คไล่เช็คดูแล้วหากมันตรงก็แสดงว่าเทวดาดนใจนั้นบอกความฝันจริงหากมันไม่ตรงก็ก็ไม่ได้ยึดถือว่าอ๋อเขรู้ว่ามไม่ตรงแค่แคนั้นเองเราก็ไม่ได้ติดใจอะไรกับความฝันมากแต่บุพพานิยมิตนี้เป็นจริงโดยส่วนเดียวบุพพานิยมิตรนั้นข้อต่อไปถามว่ากรรมอะไรหนัก ระหว่างมโนกรรมวจีกรร ม, ก, รรมกับกายกรรมกรรมอะไรหนักในหมู่ของพวกเรากรรมทางการกระทําทางกายการกระทําทางวาจาและการกระทำทางใจการกระ ท, ทาาารํะ า, รรารร ท, ทางไหนหนักหนักมากในการกระทำํำมโนกรรมนะตอบว่ามโนกรรมหนักมากแค่คิดเนี่ยหนักแล้วนะ เข้าใจไหมเพราะในคิดนั่นแหะมันมีเจตนาร่วมด้วยการทำบางอย่างการพูดบางอย่างหากไม่มีเจตนาร่วมด้วยเขาเรียกว่าทำไปตามอัตโนมัติหรือพูดไปด้วยอัตโนมัติไม่มีเจตนาในเวลานั้นอันนี้มันเป็นโทษที่เบาแต่ถ้ามีคิดด้วยคิดและเจตนาร่วมแม้ยังไม่ทาออกไปก็ตามมันก็มีโทษแล้วมันให้โทษในในขณะที่คิดนันแล้ว สมว่าคิดโกรธคนอื่นจิตใจได้รับโทษแล้วหรือยังขณะที่คิดโกรธคนอื่นนี่จิตใจสงบเบาสบายหรือเย็นดีไหมหรือร้อนลนเล่าร้อนมันก็ได้รับโทษทันทีแล้วใช่ไหมทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ไปด่าใครว่าใครใช่ไหมใช่คิดไม่ดีแล้วใช่ไหมได้รับทันทีแล้วเนี่ยมันก็มันก็หนักแล้วนั่นนะหากคิดโกดรธคนนั้นโกรธคนนี้แล้วก็ตายลงในขณะนั้นไปเกิดที่ไหน เดลาชานเป็นเบื้องต่ำนะเดาชานเป็นพี่พิษาสุรกยลยนรกขนหะหากเคยด่าใครไว้เคยทำร้ายใครไว้แต่ตอนใกล้าตายคิดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมโสงไปเกิดที่ไหนสวรรค์แสดงว่ามโนกรรมทางจิตเนี่ยสำคัญที่สุดดีหรือไม่ดีจิตเป็นตัวนำไปเป็นตัวนำเป็นตัวชี้ทางนำทางมโนกรรมหนักที่สุดวัีกรรมกับกายกรรมเบา เบากว่ามนูกรรมถามว่าเหตุใดเกิดภพเกิดชาติเกิดวัฏจาักการเวียนว่ายตายเกิดมีวิธีดับสิ้นสภาวะนั้นอย่างไรไม่ว่าเป็นภพเกิดชาติเกิดวัฏจักเวียนว่ายตายเกิดให้หมดไปหรือเบาบางลงภพนะการเกิดการภพการเกิดของภพของชาติผู้เจ้า ตัดไว้ชัดเจนแล้วเกิดมีลักเง่ามาจากอะไรอวิชาคือความไม่รู้นะฟังให้ดีนะพบเกิดขึ้นได้มาจากความไม่รู้แต่ถามว่าไอความไม่รู้เนี่ยคือลักเง่านะแต่ถ้าพูดตามห่วงโซ่แล้วพบมาจากอะไรพบมาจากอุปทานใช่ไห ม, ไมคือการยึดถือจิตบันถือมัน่น อุปทานเป็น <moon> ปัจจัยที่เกิดภพใช่ไหมเมื่อมีอุปทานก็มีภพใช่ไหมอุปทานไม่มีภพจะมีได้ไหมไม่มีคําว่าอุปทานในอุปทานในอะไรอุปทานในขันอุปทานในรูปขันอุปทานในเวทนาขันอุปทานในสัญญาขันอุปทานในสังขันขันและอุปทานในบีญญาขันอุปทานในขันห้าแล้วอุปทานเนี่ยมันอุปทานได้อย่างไงมันมาจากไหนอุปทานมันเกิดขึ้นมาเป็นอุปทานได้อย่างไงมาจากอะไร อะไรทำให้เกิดอุปทานอะไรทำให้เกิดอุปทานตัณหาความอยากก่อให้เกิดอุปทานอยากในอะไรก็อยากในขันห้านี่แหละอยากในรูปคืออยากให้รูปเป็นอย่างนี้ไม่อยากให้รูปเป็นอย่างนั้นอยากให้กายมีสุขไม่อยากให้กายมีทุกข์ใช่ไหยอยากให้จิตเรามีสุขไม่อยากให้จิตมีทุกข์ก็ในขันนี่แหละ เข้ยาใจไหมล่ะอยากให้กายสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่อยากให้กายได้รับความทุกข์เลยแม้แต่น้อยหนึ่งพวกนี้ ค, คือความอยากเป็นตัณหาตัณหามาจากอะไรไอะไรก่อให้เกิดตัณหาเวทนาเวทนามอยู่ในไหนในตัวเราเองนั่นแหละเข้าใจไหมหากไม่มีเวทนาตัณหาก็เกิดขึ้นไม่ได้เวทนาจึงเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาเพราะฉะนั้นเวทนาที่ก่อให้เกิดตัณหานั้นอะ เป็นเวทนาที่ประกอบไปด้วยสุขบ้างทุกบ้างไม่ทุกไม่สุขบ้างก่อให้เกิดตัณหาเพราะสุขเราอยากให้คงอยู่ทุกเราอยากให้หายไปไม่สุขไม่ทุกเราก็ไม่รู้คือในขณะที่ไม่สุขไม่ทุก็เฉยๆคือไม่ได้รับรู้ไม่รับไม่รับรู้สุขไม่รับรู้ทุกไม่เป็นสุขไม่เป็นทุกแล้วก็เฉยๆพอเฉยๆมากเข้าก็อวิชชาครอบงำนะอวิชชาครอบงำทีนี้ ตัวที่ก่อให้เกิดอวิชชาครอบงําในในในในในในในเวทนาเนี่ยคือการที่เราไม่เข้าใจกระบวนการแห่งภาษะคือการกระทบภาษาจึงเป็นปัจจัยให้เกิดตันหาเออภาษาเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาที่มาพร้อมกับอวิชชาเพราะเราไม่เข้าใจภาษาทําไมเราไม่เข้าใจภาษาเราไม่เข้าใจว่ามันกระทบแล้วเกิดเป็นเวทนาสิ่งที่กระทบกันแล้วเกิดเป็นเวทนาเนี่ยเราจะไปบังคับให้มันคงอยู่ได้ไหม มันจะต้องกระทบกับสีอนซูเพราว่าเราต้องกระทบกับสุขมันก็เกิดสุขเรากระทบกับทุกข์มันจะเกิดทุกข์เวลาเรากระทบกับสุขจะให้เกิดทุกข์ได้ไหมไม่ได้แล้วเวลาเรากระทบกับทุกข์จะให้เกิดสุขได้ไหมเราต้องมาทําความเข้าใจภาษาว่ากระทบกับอะไรก็ต้องเกิดกับอนั้นกระทบกับสุข <connects> ก <with. S 2> ็ต <touchdown Too> <iness> ้องเกิดสุขกระทบกับทุกข์ก็ต้องเกิดทุกข์แต่เราไม่รู้ว่าภาษะเนี่ยซึ่งก่อให้เกิดตัณหาว่ากระทบแล้วให้เกิดสุขหรือเกิดทุกข์เนี่ยเราไม่ได้เข้าใจว่า เวลาเรากระทบแล้วเนี่ยเราต้องการจะให้สุขคงอยู่ทั้งๆที่เราผัสสะกับความทุกข์อยู่จะให้มันมีสุขในทันใีทันใดแล้วมันเป็นไปไม่ได้เนี่ยคือเรามีมีความไม่รู้เราไม่รู้ในภัสสะเราก็เลยไม่รู้ในเวทนาทําไมเราไม่รู้ในภัสสะก็คือเราไม่รู้ในอายตนะคือเราไม่รู้อายตนะตามความเป็นจริงว่าอายตนะมันต้องรับผัสสะอยู่แล้วอายตนะเราไม่รู้ในอายตนะ แล้วเราไม่รู้ในอายตนะเนี่ยทำไมเราถึงไม่รู้อายตนะเพราะเราไม่รู้เรื่องของนามรูปนามกับรูปเข้าใจไหมตาเห็นรูปกระทบกันเข้าเกิดผัดสายเป็นไปัจให้เกิดเวทนาใช่ไหมการประจวบกันเข้าระหว่างตากับรูปแล้วเกิดความรู้เกิดความรู้ในรูปอะกระบวนการเหล่านี้มันเกิด มาจากกระบวนการของรูปกับนามตัวรูปกับนามก็คือท่าสี่กับขันห้าไม่ใช่ทาสี่ก็ตัวขันห้าทั้งหมดนั่นแหละคือรูปกับรูปคือเป็นรูปคือท่าสี่นามนามขันสีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่านามแต่เนี้ยเพราะเราไม่รู้จักนา ม, มาขันสีกับรู ป, ปรขันหนึ่งเรียกว่าขันห้ามันก็เลยก่อให้เกิดการรับรู้ในอายตนะที่ ไม่ถูกต้องตามหลักแหงความเป็นจริงคือมีความไม่รู้อยู่ในนั้นภาษาก็ภาษ า, ภาด้วยความไม่รู้เวทนาเกิดขึ้นก็ไม่ได้รู้เวทนาอยากก็ไม่ไม่รู้ความอยากที่เกิดขึ้นอุปทานก็ไม่เข้าใจเรื่องอุปทานมันก่อให้เกิดอุปทานยังไงเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราไม่รู้นามกับรูปสิ่งที่ทําสิ่งที่ทําให้เราไม่รู้นามกับรูป ก, ก็คือการปฏิสนธิวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป การปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยมันมันปฏิสนธิกันได้ยังไงปฏิสนธิแปลว่าการสืบต่อการสืบต่อสนธิแปลว่าต่อปฏิแปลว่ากันเฉพาะสืบต่อเฉพาะสายตาสืบต่อรูปเฉพาะรูปใช่ไหมหูก็สืบต่อเฉพาะเสียงใช่ไหมจมูกก็สืบต่อเฉพาะกลิ่นใช่ไหมมันเป็นการสืบต่อเฉพาะกันลยอยู่แล้วลนส์สืบต่อเฉพาะลด เท่านั้นกายสืบต่อเฉพาะสิ่งที่มาถูกต้องกับมันมันถึงจะสามารถรับรู้ได้ไม่มีอะไรมาสัมผัสกับมันไม่ไม่มาถูกต้องมันมันก็รับรู้อะไรไม่ได้ใจสืบต่อกับอารมณ์ใช่ไหมไอ้ตรงใจที่สืบต่อกับอารมณ์เนี่ยใจที่สืบต่อกับอารมณ์นี่แปฏิสนธิวิญญาณเกิดขึ้นโดยที่เราไม่เข้าใจในใจที่สืบต่อกับอารมณ์เราไม่รู้ในปฏิสนธิวิญญาณว่าเวลาใจสืบต่อกับอารมณ์ มันสืบต่ อ, อยังไงจิตเราเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นมารับรู้อารมณ์ปุ๊บพอรับทราบอารมณ์ปั๊บตัวตัวสภาพของจิตโดยธรรมชาติเกิดรับอารมณ์ปุ๊บมันดับใช่ไหมแต่มันเมื่อมันรับอารมณ์ใดก็ตามเช่นมันรับอารมณ์ที่เป็นสุขแล้วจิตดับลงไปมันจะถ่ายทอดพุณงสบัติคือความสุขไปสู่จิตอีกดวงใหม่ที่เกิดขึ้นมารับแทนนี่เรียกว่าปฏิสนธิชือว่าสืบต่อเฉพาะเราเลยเข้าใจว่า ความสุขมันมีอยู่หรือจิตได้รับความทุกข์รับอารมณ์เห็นความทุกข์ลับกระดับลงไปและจิตใหม่เกิดขึ้นมาแต่คุณสมบัติของจิตดวงเก่าที่มันทิ้งไว้คือความทุกข์เนี่ยทําให้จิตดวงใหม่รับอารมณ์ทุกข์นั้นตามไปด้วยมันเรเยเหมือนกับเห็นว่าความทุกข์มันมีอยู่แท้ที่จริงแล้วความสุขก็ไม่ได้มีอยู่ความทุกข์ก็ไม่ได้มีอยู่อารมณ์ใดก็ตามเข้าไปอยู่กับจิตแล้วกระทบกันเข้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้น ที่เราเห็นว่ามันตั้งอยู่นีมันตั้งอยู่เหมือนกับว่าสุขมันมีอยู่หรือทุกข์มันมีอยู่เนื่องเพราะว่าจังหวะที่จิตกระท บ, บอารมณ์กับความสุขใดๆก็ตามหรือทุกข์ใดๆก็ตามแล้วเมื่อจิตเกิดรับอารมณ์กระทบกับความสุขและทุกข์ในขณะนั้นเวลานั้นเราไม่รู้ในขณะที่จิตรับอารมณ์เมื่อเราไม่รู้มันจะเกิดเป็นคุณสมบัติ เพื่อถ่ายทอดเรื่อว่าสนธิปิญญาณสนธิการรับรู้ปฏิสนธินไปสู่จิตดวงใหม่แต่ถ้าเราเข้าไปรู้มันว่านี้คือสุขนี้คือทุกข์เกิดกับจิตเมื่อเราเห็นว่านี้คือสุขนี้คือทุกข์เกิดกับจิตหากเรารู้และเข้าใจอย่างนั้นมันจะไม่สนธิเฉพาะคือมันไม่ปฏิสนธิปิญญาณมันไม่สันธิความรู้เข้าใจไหมแต่มันจะเห็นการดับ คือจิตเกิดขึ้นมารับสุขปุ๊บพอจิตดับไปสุขก็ดับลงไปพร้อมมันจะเห็นการดับสาเหตุคือเราไม่เขาเห็นกระบวนการแห่งการปฏิสนธินะถ้าเราเห็นจริงมันจะดับพอมันดับปุ๊บการปฏิสนธิวิญญาณดับนามลูกก็ดับหมายถึงว่าการสื่อต่อของนามลูกก็ดับเมื่อการสื่อต่อของนามลูกก็ดับอายตนะดับใช่ไหมหมายถึงว่า อายตนะที่จะสืบต่อระหว่างอารมณ์ที่กระทบนั้นมันก็ไม่มีอารมณ์กระทบอีกแต่อารมณ์แห่งความสุขความทุกข์มีแต่ไ ม, ม่อารมณ์กระทบะภาษะที่จะกระทบกับเรื่องนั้นอยู่ตลอดก็ไม่มีนึกออกไหมเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่ายกความโกรธขึ้นมาเป็นตัวอย่างนะคืออารมณ์อื่นก็เหมือนกับตัวเนี้ยยกความโกรธขึ้นมาแบบเรากดโได้ายโคนหนึ่งมา เนื่องจากว่าเราไม่เห็นว่าความโกรธคืออารมณ์เป็นอารมณ์ที่เกิดมากระทบกับจิตจิตก็เกิดขึ้นมารับอารมณ์ตามปกติน่ะจะมีอารมณ์หรือไม่มีอารมณ์จิตก็เกิดขึ้นมารับเพียงแต่ว่าจังหวะที่จิตเกิดขึ้นมารับอารมณ์เนี่ยเป็นอารมณ์ชนิดไหนเท่านั้นเองแต่พากลว่าในขณะนั้นเป็นอารมณ์ของความโกรธขึ้นมาพอเป็นอารมณ์ของความโกรธขึ้นมาปั๊บสมมติว่าอันนี้คืออารมณ์ของความโกรธนี่คือจิตเกิดขึ้นมารับ มันกระทบกันเข้าปั้งในเวลาเดียวกันพอกระทบปุ๊บมันก็จะดับเมื่อเราเห็นการกระทบว่า น, นี่คือความโกรธกระทบกับจิตอย่างเงี้ยแล้วเวลามันจะดับไปปุ๊บก่อนที่มันจะดับเนี่ยผลจากการกระทบเนี่ยมันจะก่อให้เกิดอารมณ์เหมือนกับของสองสิ่งกระทบกันมันจะเกิดเสียงไอ้จังหวะที่เกิดเสียงเนี่ย อันนี้เป็นวัตถุใช่ไหมกระทบกันเวลาไม่กระทบอีกเสียงก็ดับก็ขาดก็หายไปอันนั้นคือความจริงแต่เรื่องของอารมณ์มันไม่ได้ขดดับหรือขาดหายไปเหมือนกับวัตถุอารมณ์กระทบกับจิตจิตปุ๊บไอตัวเนี้ยดับเพิบนะในขณะที่ดับเพิบงอันใหม่ก็เกิดขึ้นมาแทนเลยมันจะมีการเหนียวหลังอารมณ์เรียกว่าสนที่อารมณ์สืบต่ออารมณ์เรียกว่าสืบต่อปฏิสนธิวิญญาณคือการ ร, ร, รับรู้รับทราบอารมณ์อันนั้นอยู่ตลอด ดับพึกก็เกิดขึ้นมาแทนเลยดับพึกก็เกิดขึ้นมาแทนเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะอารมณ์เวลากระทบมันเกิดเสียงมันจะมีตัวรับขึ้นมารับรับเสียงแต่ทีนี้หากว่าเวลากระทบอารมณ์ปุ๊บมีสติเข้าไปรู้มีสติเข้าไปรู้ในขณะที่กระทบปุ๊บมันมันกอ่อเหมือนกับของมันเกิดกอ่อเกิดเสียงจริงแต่เวลาดับลงไปเนี่ยมันจะไม่มีอารมณ์ค้างจิตดวงใหม่เกิดขึ้นมาก็มารับรู้ความว่าง พรไม่มีตัวค้างมันก็ไม่สนที่ต่อจิตดวงใหม่ไม่ปฏิสนธิเฉพาะในจิตดวงใหม่นะพราะไม่ปฏิสนธิในจิตดวงใหม่มันก็ดับไปด้วยอารมณ์ว่างพอเข้าใจไหมเมื่อเรามันมาดับไปด้วยอารมณ์บ้างไอตัวความบ้างนี่เองทําให้เกิดปัญญาว่าอ๋ออารมณ์ใดใดกระทำมากระทบกับจิตถ้าเรามีสติรับรู้มันมันก็จะดับลงไปพร้อมกันกระทบดับลงไปพร้อมกันจิตดวงใหม่ก็จะรับเกิดมารับรู้ความบ้างเห็นไหมเกิดมารับรู้ความบ้าง แต่ถ้าเราไม่มีสติรับรู้กระดบึ้งจิตดับปุ๊บอารมณ์ที่เหมือนกับเสียงที่มันค้างอยู่เนี่ยทำไมมันถึงค้างเพราะจิตมันเกิดขึ้นมาเร็วมากในการรับพอมันรับอาการที่ค้างอยู่เนี่ยมันเลยกลายเป็นสืบต่อเฉพาะเพราะเราไม่มีสติเมื่อเป็นการสื่อต่อเฉพาะมันก็เหมือนกับทบกันอีกเหมือนกับกระทบกันแล้วแล้วเล่าเลานะกระทบอยู่างนี้อยู่เรื่อยๆเพราะมันไม่ดับอย่างเงี้ยจนจนกว่า ภาวะแห่งอารมณ์เนี่ยจะจะจางคายหายไปจะจางคายหายไปจนจิตดวงใหม่ขึ้นมาเห็นจางคายหายไปแล้วอ่าจางคายหายไปแล้วก็ก็ก็ไม่กระทบแล้วหรือจนขาดหายไปแล้วเปลี่ยนเป็นอารมณ์ใหม่เข้ามากระทบจิตดวงใหม่ก็มารับรู้อารมณ์ใหม่มันก็จะเกิดอย่างเงี้ยอารมณ์ก็เปลี่ยนไปจิตก็เกิดดับอยู่อย่างนี้อยู่ตลอดจนสาคัญ่ากกระทบปุ๊บสติเข้าไปรู้ทันปับ๊บมันก็จะไม่สืบต่อเฉพาะนามรูปก็ไม่เกิด อาญาตนะก็ไม่เกิดผัสสะก็ไม่เกิดเวทนาก็ไม่เกิดมันจะรับรู้ความว่างปัญญาเราก็จะทราบการเกิดการดับการเกิดการดับการเกิดการดับโดยที่สิ่งที่มากระทบกับจิตไม่กระทบตัวเราไม่ผัสสะกับเราไม่สืบต่อเฉพาะเข้ามาในในตัวเราถามอาการสื่อต่อเฉพา ะ, ะนี่มันมาจากอะไรมาจากสังขารใช่้หรือก็เป็นสังขารเนี่ยจิตคือสังขารใช่ไหมจิตคือสังขารอารมณ์คือสังขารใช่ไหม มันก็คืออารมณ์คือสังขารก็มาจากสังขารน่ะสังขาราปัจยาวิญญานังก็สังขารกับสังขารมันสืบต่อกันสังขารในส่วนนามสังขารในส่วนรูปมันสื่อต่อกันสังขารมาจากไหนมาจากความไม่รู้แล้วถามว่าสังขารน่นมันคืออะไรก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเด่นนั่นคือสังขารหมายถึงว่าขณะใดก็ตามที่เรามองเห็นกันและกันมองเห็นกันละปั๊บเนี่ย เราไม่มีสติรู้ในสิ่งที่เห็นปั๊บมันจะเกิดอย่างลงของสังขารอย่างลงของขันขันนั้งห้านั่นเองเห็นกันปุ๊บขันนั้งห้าจะเรียกว่าอุปทานขันห้าจะอย่างลงจะอย่างลงในการยึดถือหมายถึงว่าอาตมาเห็นยมน้องเงี้ยเห็นยมมาปุ๊บเลยหากอาตมาไม่มีความรู้ในเรื่องของสังขารมาก่อนเลยคือไม่รู้เรื่องของรูปเวทนา ส, าสัญญาสังขารวิญญาณอาตมาเห็นอยู่มน้อปุ๊บอาตมาก็จะยึดถือแล้วอุปทานในขันว่านี่คือยมน้อง แต่หากอาตมามีสติมีปัญญาฝึกสติปัญญามาอย่างดีอาตมาเห็นยมน้องปุ๊บอาตมาก็เห็นยมน้องในภาวะสมมุติว่าเป็นยมน้องแต่จะเห็นในภาวะทางปัญญาในอีกชั้นหนึ่งมากนั่นก็แค่สังขารนั่นก็แค่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณไม่ใช่ตัวตนของไข้ผู้ใดเมื่ออาตมา ร, รู้ว่ามันแค่สังขารแล้วการสืบต่อของขันที่จะสืบต่อไปเป็น ปฏิสนที่เฉพาะต่ออารมณ์เพราะฉะนั้นความโกรธความพึงพอใจความขัดเพืองใจความโมโหลำพันด้วยอํานาจของอาสวะกิเลสด้วยอํานาจของความไม่รู้ในตัวของโยมน้องก็ไม่มีภัสสะตัวนี้ก็ไม่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะดับเพราะมีความรู้เพราะฉะนั้นความรู้ความไม่รู้คือเป็นรากเหง้าของการเกิดพบเมื่อความเมื่อความไม่รู้ดับไปเกิดความรู้ขึ้นมาแทน การสืบต่อแล้ ว, วาการย่างลงของขันเรียกว่าการยึดถือโดยขันการยึดถือโดยขันมันเป็นอัตโนมัติเห็นกันปุ๊บปั๊บอุปทานขันเกิดแล้วการยึดถือโดยขันนะการย่างลงของขันเป็นสังขารแล้วจะเป็นกุศลสังขาเรเลือกอกุศลสังขารก็อีกกรณีหนึ่งนะแต่ว่ามันมันเป็นการย่างลงของขันเรียบร้อยแล้วในวินาทีนั้นเมื <ด rin. S 1> ่อมีการย่างลงอย่างเช่นเอายุงมากัดเราเราเจ็บอาการเจ็บเนี่ย เป็นอุปทานของขันเข้าใจไหมมันการอย่างลงของขันเลยเป็นอุปทานขันอุปทานขันเนี่ยไม่ใช่กิเลสบรรดาสังขารทั้งพวงไม่ใช่กิเลสแต่การที่เราไม่รู้ในอุปทานขันมันคือกิเลสมันจึงมีอุปทานในอุปทานขันอุปทานขันเป็นธรรมชาติหูได้ยินเสียงมันเป็นอุปทานขันจมูกหายใจเข้าออกเป็นอุปทานขันการดมกลิ่นก็เป็นอุปทานขันการริมรอดก็เป็นอุปทานขัน เรียกว่าการยึดมั่นของขันความเป็นไปของขันการยึดถือในขันการเหยียดคู้เหลียวแหลพูดอย่างเงี้ยหรือคิดเป็นอุปทานของขันสิ่งเราเนี่ยไม่ใช่กิเลสกิเลสมันเกิดจากการที่เราไม่รู้อุปทานขันคือไม่รู้จกักรูปตามความเป็นจริงไม่รู้จากเวทนาตามความเป็นจริงไม่รู้จากสัญญาสังขารและวิญญาณตามความเป็นจริงเราไม่รู้จาก5้าอย่างเี้ตามความเป็นจริง <ME> เมื่อเราไม่รู้จัก5้าอย่างตามความเป็นจริงความไม่รู้นี่เองจึงก่อให้เกิดการยั่งลงของขัน คือการยัดยึดถือในขันทั้งหมดเมื่อเกิดการยังลงของขันย่อมมีการสืบต่อขันปฏิสนธิวิญญาณย่อมเกิดขึ้นเมื่อปฏิสนธิวิญญาณเกิดขึ้นย่อมเกิดนามกับรูปเชื่อมโยงกันอยู่ตลอดเวลาทํา ง, งานร่วมกันอยู่ตลอดเวลาเมื่อนามกับรูปทํา ง, งานอายจตนะคือตัวเชื่อมต่อตาหูจมูกลิน้นกายใจย่อมมีบุคคลจิตของบุคคลผู้เข้าถึงนิพพานแล้วปั๊บนี่ยมันจะมีสภาพจิตของท่านจะเชื่อมต่อกับ พันิพาณใช่ไหมพันิพาณเป็นธรรมชาติดับเมื่อจิตของท่านเชื่อมต่อกับพันิพาณเรียกว่าอายตนะเนี่ยอายตนะจะผัสสะกับพันิพาณเมื่ออายตนะในจิตผัสสะกับพันิพาณเรียกว่ามนายตนะของท่านผัสสะกับอายตนะนิพาณคือเชื่อมต่อกันอายตนะนิพาณเชื่อมต่อกับจิตเริ่มตั้งแต่พระโสดาบันอารมณ์ใดก็ตามที่จิตรับกระทบตามภาวะธรรมราเนี่ยเมื่อสัมผัสกับพันิพาณเนี่ย อารมณ์ที่เข้ามาสัมผัสกับจิตจะถูกดับไปด้วยอัตโนมัติเพราะธรรมชาติพระนิพพานเป็นธรรมชาติที่สัมผัสกับสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นจะทำให้สิ่งนั้นถูกดับลงไปด้วยตัวข้ามันสิ่งนั้นจะจะดับด้วยตัวข้ามันนะดับด้วยธรรมชาติแห่งการรับรู้ในนิพพานเอพูดอย่างนี้ซับซ้อนด้วยเปล่าถ้าใครตามไม่ทันก็ ก็ยากที่จะอธิบายมันพูดได้แค่เนี่ยคือพูดตามคาําอธิบายมันพูดได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นแล้วจะทํำยังไงก็ตามให้จิตของเราไปรับรู้รับทราบนิพพานหากไม่รับทราบนิพพานนอกนั้นจะเป็นเป็นธรรมชาติแห่งการสืบต่อปฏิสนธิกันสืบต่อกันทั้นั้นน่ะเห็นกันอย่างเงี้ยก็สืบต่อรูปสืบต่อเวทนารู้สึกยังไงกับตันก็สืบสืบต่อเวทนาเนี่ยทรงจําอะไรต่อกันในเวลานี้ก็สืบต่อสัสญญาคิดอะไรต่อกันก็สืบต่อสังขารคือความคิด รับรู้อะไรในการและกันก็สืบต่อวิญญาณคือการรับรู้อย่างเงี้ยสืบต่อสืบต่อสืบต่อแต่ถ้าจิตเรามันมีนิพพานอยู่ภายในปั๊บสิ่งใดก็ตามที่ผัสสะรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเข้าไปเชื่อมต่อกับนิพพานที่มีอยู่ในใจธรรมชาติเหล่านั้นจะไม่สืบต่อตัวเองมันจะดับถือจะสืบต่อก็สืบต่อในภพที่8ในโสดาบันสื่อต่อในสืบต่อแค่เจ็ดภพในโสดาบันไม่สืบต่อภพที่8 สืบต่อในหนึ่งพบในพระสกอาทาคารมีสืบต่อในอนาคารมีสืบต่อในสุทาวาตหในอนาคารมีมัจอนาคามิผลขออภัยอนาคามิผลในอรหัตมรหักในอรหัตผลนี้จะไม่สืบต่อที่ไหนเลยจะมีการเกิดอีกในพบในที่ไหนนั่นคือวิธีดับดับคือสร้างความรู้ขึ้นมาในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญณย์ให้ได้เมื่อรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญย์ตามความเป็นจริงแล้วมันจะไม่สืบต่อ เพราะไม่มีผัสสะไม่มีเวทนาไม่มีตัณหาคือเวทนามันมีอยู่โดยปกติของขันแต่ไม่มีเวทนาในเวทนาเวทนานในเวทนาไม่มีอีกหมายถึงว่าสุขเกิดขึ้นจะไม่มีเวทนาในสุขหมายว่าจะไม่พึงพอใจในสุขทุกเกิดขึ้นจะไม่เสียใจในทุกข์ไม่มีเวทนานในเวทนาทุกเกิดขึ้นก็ตามภาวะแห่งความทุกข์ระดับสุขเกิดขึ้นก็ตามภาวะแห่งความสุขแลระดับ แต่ทนคนทั่วไปสุเกิดขึ้นยินดียึดถือพอใจในเวธนาสร้างเวธนาในเวธนาทุกเกิดขึ้นสร้างเวธนาคือเป็นทุกข์ไม่ชอบใจในเวธนาอีกอย่างเงี้ยเมื่อไปสร้างเวธนาซ้อนเวทนาแล้วก็ยึดในสิ่งที่เวธนาตัวเองสร้างขึ้นมาก็ทำให้ตัวเองเกิดพบเกิดชาติวัตจักรก็เวียนว่ายตายเกิดหมุนไปหมุนไปสืบต่อกันไปหมุนไปหมุนไป สุกแล้วสุกเล่าทุกแล้วทุกเล่าสุกแล้วสุกเล่าทุกแล้วทุกเล่าดีใจเสียใจดีใจเสียใจสุกทุกสุกทุกเกิดแ ก, ι, แกรร่เจ็บตายเกิดแก่เจร็บตายพัดภาพไม่ได้ดังใจไหมบีบคั้นอารมณ์ทางจิตบีบคั้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอธิบายอย่างนี้ไม่รู้จะเข้าใจแค่ไหนอธิบายนอกเหนือจากนี้ก็อธิบายไม่ได้ได้แค่นี้นะหรือถ้าอยากทำให้ง่าย เห็นอารมณ์ใดก็ตามกระทบจิตเกิดขึ้นเห็นการเกิดขึ้นของอารมณ์นั้นและอารมณ์ที่กระทบจิตเกิดขึ้นอารมณ์ใดที่กระทบจิตเกิดขึ้นดับไปก็เห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นดับไปให้ได้จบแค่เนี้ยดับอยู่ตรงนั้นพบก็ไม่เกิดเอาแค่นี้พอทําได้ไหมทําไม่ได้บอกรู้ไม่ทันมันก็ต้องเริ่มจากการรู้ไม่ทันนั่นแหละจะให้รู้ทันทีเดียวเลยมันก็ไม่ได้ต้องรู้จักการรู้ไม่ทันไปเรื่อยรู้ไม่ทันไปเรื่อยรู้ไม่ทันไปเรื่อยๆฝึกทีแรกมันรู้ทันเลยไหมหล่ะ ตอนนี้เริ่มรู้ทันใช่ไหมเริ่มจับทางมันถูกใช่ไหมนั่นแหละมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นไปนเรื่อยเื่อยถ้าฝึกพระโพธิสัตว์ต้องทรงญาณตลอดชีวิตไหมครับมันจะทรงญาณตลอดชีวิตได้ยังไงมันไม่มีอะไรเที่ยงญาณไม่สามารถทรงได้ตลอดชีวิตแต่สร้างได้ตลอดชีวิตแต่ทรงได้ไม่ตลอดชีวิตพราะเข้าใจไหมพเพราะสัพเพสังขารอาอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงญาณก็จัดเป็นสังขารอย่างหนึ่ง อยู่ในความไม่เที่ยงสัพเพสังขา ร, ราทุกขาสังขารสัพเพสังขารสังข า, า, ารทาั้งหลายทั้งวงไม่คงทนถาวรทุกขาคือไม่คงทนสภาพเดิมยานก็ไม่สามารถคงทนสภาพเดิมได้สัพเพธรรมาอนาตาญานคือทำอันเนี้ยกุศลแลรวทอันเนี้ยก็ไม่ตายตัวความตายตัวในตัวเข้ามันไม่ได้คือไม่มีตัวตนเป็นของตัวเองไม่เป็นตัวเราเราจะทรงยาณตลอดชีพไม่ได้แต่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้พระโพธิสัตว์บำเพ็ญยานขึ้นมายานเกิดขึ้น นะดับไปหากไม่บําเพ็ญต่อก็ดับหากบําเพ็ญต่อยานก็เกิดขึ้นหากบาเพ็ญอยู่เรือเร่อยๆก็เกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับสืบเนื่องอยู่เรือ่อยๆจึงทรงอยู่พอตายไปยานก็ดับไปสเสริวยผลเกิดมาเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึง่งยานเก่าๆนั้นก็ดับไปถ้าไม่มาบำเพ็ญอีกในขณะที่เป็นมนุษย์ยานก็ไม่เกิดต้องบําเพ็ญอีกยานถึงจะเกิดเพราะสัพเพสังขาราอนิจามันไม่เที่ยงยานก็เป็นสังขารไม่เที่ยงเหมือนกันจะให้ทรงอยู่ตลอดชีวิต ค, คือให้มันเกิดขึ้นตลอดชีวิตไม่ได้มันก็ต้องมีเกิดมีดับมีเกิ ด, ม, กดมีดับแต่เราจะสร้างขึ้นแบบต่อเนื่องไปจนตลอดชีวิตได้ไหมถ้าเราสามารถสร้างยานให้เกิดขึ้นต่อเนื่นองไปตลอดชีวิตมันก็จะสืบไปตลอดชีวิตแต่ถ้าไม่สร้างขึ้นมันก็ไม่สืบต่อถามว่าพระโพธิสัตว์ต้องสละชีวิตทุกภพทุกชาติไหมครับไม่บางชาติก็ไม่ต้องสละที่สละชีวิตมีไม่กี่ชาติชาติที่สละไปก็ ก็เป็นสระเ ป, เ, ปเป็นเรื่องของบา ร, รมีในการสละถามว่าพระวิษั์เคยเกิดในนรกโลกรกนรกอเวจี G ไหมครับเกิดผู้เท่าบอกว่าเราไปเกิดทุกๆ ท, ที่นอกจากสุทาวาตคมเท่านั้นที่ไม่ได้ไปเกิดแต่ทุกที่นรกไปทุกขุมเข้างจไหมไปรับรู้มาหมดแล้วว่านรกร้อนทุกทรมานอย่างไรถ้าไม่ไปรับรู้ไม่สามารถมาอธิบายให้สาวกฟังได้ว่ามันทุกทรมานอย่างไรมาพูดปากปล่าวพูดไปเลยที่ไม่ไปสัมผัสรับรู้ไม่ได้ ความรู้นั้นมันเกิดขึ้นในสมาสัมโพธิญาณสัพพัญญุตญาณบอกไว้แล้วว่าไปตรงนนรกมากี่คุ้งกี่คุ้งกี่คุ้งแล้วก็รับรู้ความทุกข์ในนรกทั้งหมดจึงสามารถมาบอกได้ว่านรกมีอยู่จริงชัดเจนว่าได้รับทุกข์จริงได้รับผลจริงร้อนจริงๆไม่ใช่ร้อนเล่นๆร้อนจนเปื่อยกระดูกจนละลายอย่างเงี้ยไม่เกิดที่เดียวคือสุทาวาทห้าเพราะอะไรเพราะถ้าหากใครไปเกิดสุทาวาทหแล้วจกไม่กลับมาสู่โลกมนุษย์อีกตลอดกาล นอกนั้นไปเกิดมาหมดสัตว์ต้องเป็นทุกชนิดมนุษย์ต้องเป็นทุกจําพวกเป็นมนุษย์ขาขาดแขนขาดก็ต้องเป็นเป็นมนุษย์พิกลพิการเป็นมนุษย์สติสปชัญญะไม่สมประกอบเนี่ยบางคนเห็นมนุษย์เดินตามถนนไม่สติสปะชัญญะไม่สมประกอบเดินตามถนนเนี่ยเก็บนั่นเก็บนี่มาห้อยอย่างเงี้ยตามคออย่างเงี้ยเสื้อผ้าการลุ่มกรลิ่งกินอาหารตามทางขยะอาจจะเป็นโพธิสัตว์ก็ได้เขากําลังทดสอบชีวิตอยู่ในวัตฏะในภพนั้น ว่าเอเป็นเป็นผีบ้ามันเป็นยังไงว่อย่างเงี้ยอยากจะรู้อาจาจะเป็นดวงจิตโพดิสัตว์ทีนี้นั่นก็ได้ใครจะไปรู้เนาะผีบ้าเขาก็ว่าถามว่าสาเหตุใดคนไปอยู่บนสวรรค์สาเหตุใดคนไปอยู่นรกสาเหตุใดเกิดเป็นมนุษย์สาเหตุใดเกิดเป็นเปรตสาเหตุใดเกิดเ ป, เป็นสัตว์ทั่วไปครับโอ้ยในแบบก็มีอยู่แล้วทํา จะเอารายละเอียดมากกว่านี้ก็มันไม่มีรายละเอียดมากกว่าอยู่ในแบบแล็อกทำดีไปสวรรค์ทำให้ดีไปนรกรักษาศีลห้าได้เป็นมนุษย์เปเตดคือพวกที่อยู่กับความหิวโหยไม่เพียงพอหาเลี้ยงชีพด้วยความไม่ชอบทาเลี้ยงชีพด้วยความเป็นมิจฉาชีพล่อลวงเข้าไปพวกนี้เป็นเปตดไม่ที่จะ เอาทรัพย์คนอื่นโดยที่ไม่ลําบากเอาง่ายๆเป็นประเทสาเหตุได้เกิดเป็นสัตว์สัตว์ก็ไปจากพิชชาทิฐิโดยส่วนมากพิชชาทิฐินําไปสู่กำเนิดสัตว์เดรัจฉานความเห็นผิดความงมงายต่างๆนี่แหละที่จะถือในฐานะสามารถกันเป็นพิชชาทิฐินําไปเกิดกําเนิดสัตว์เดรัจฉานแน่นอนมดคําถาม ต่อไปก็เท่าที่ตอบถ้าอยากจะเอารายละเอียดไปหาในแบบในแบบเขียนไม่เยอะนะเขียนไม่มากนะอ่านตํารากันบ้างเราไม่อ่านตํารากันเราก็เลยขาดความรู้ความเข้าใจความรู้เป็นสิ่งที่มีความสําคัญไม่ใช่สําคัญเฉพาะในขณะนี้แต่สําคัญแม้กระทั่งพบหน้าเพราะความรู้ที่เราเรียนมันไม่เคยขาดหายไปไหนมันจะสืบต่อเราไปถึงพบหน้าถ้าหากบอกว่าความรู้สืบต่อไปพบหน้าได้ทําไมเรามาเกิดชานี้ทําไมเราความรู้นะั้นไม่ติดตามเรามา ทำไมมาเรียนเอารู้ที่หลังมันถึงจะเกิดอย่างเงี้ยทำไมมันจะไม่ติดตามมาความรู้นั้นติดตามแต่ติดตามโดยการที่มันเป็นองค์ความรู้ที่จะเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจให้เรามีพฤติกรรมในการเอ็นยองมาในทางด้านการศึกษาเรียนรู้หากเราไม่เคยศึกษาเรียนรู้มาแต่ก่อนเราจะไม่มีพฤติกรรมในการพึงพอใจที่จะมาเรียนรู้ธรรมะเราก็จะพึงพอใจไปในเรื่องอื่นมันไม่ใช่ว่าเกิดมาเป็นตัวความรู้ว่าเกิดขึ้นมาไม่ต้องเรียนอะไรรู้เลยรู้เลยไม่ใช่ ขันนี้เป็นของใหม่ของเก่าก็จริงแต่ว่ามันเกิดก่อตัวขึ้นมาใหม่มันจะให้ทรงจำอะไรได้ก็ต้องไปเรียนแต่ความรู้ที่เป็นที่เราเคยเรียนรู้มาแต่อดีตจะกระตุ้นเตือนให้เราเอาขันเนี่ยไปศึกษาเรียนรู้พอความรู้ที่เราเรียนปั๊บมันประจวบกันเราจะเรียนรู้สิ่งที่เราเคยเรียนรู้มาแต่ก่อนเรียนรู้ได้ง่ายเข้าใจง่ายรู้ง่ายบางคนเรียนรู้ปุ๊บเข้าใจง่ายเพราะอาดีตชาติมันเคยเรียนอย่างนี้มาก่อนแล้วก็ดความคุ้นเคย บางคนอดีตชาติไม่เคยเรียนรู้มามาฝึกเรียนรู้ใหม่ในชาตินี้เรียนก็ยากเข้าใจก็ยากเพราะก่อนเนี้ยนี่ไม่เคยเรียนมาอย่างเงี้ยมันก็ข้ามปกความชาติกลับมาอย่างเงี้ยเมือ่ออาตมามาปฏิบัติทำมาพูดธรรมะเนี่ยไม่ธรามไม่เคยเรียนรู้ทำมาก่อนมาพูดอย่างเงี้ยก็ไม่ได้พูดง่ายๆนะพูดยากมากขนาดเรียนมาเนี่บางคีบางคำก็พูดยากเหมือนกันเพราะบางคํามีความหมายพิเศษเฉพาะบางอย่างเราจะใช้ไปทั่วกันไม่ได้ไม่งั้นจะผิดเพี้ยนจากหลักความจริงหลักธรรมชาติ เช่นคำว่าพุทธะใช้ได้กรณีในการรู้อริยสัจสีสติใช้ได้ในกรณีในการรับรู้รู้เหมือนกันนะแต่รู้รู้ในตนรู้ในกายในเวทนาในจิตในธรรมอย่างเงี้ยปัญญาคือรู้อะไรรู้รอบรอบอะไรรอบรู้ในกองสังขารจึงชื่อว่าเป็นปัญญาอย่างเงี้ยปัญญารู้ว่าอะไรไม่เที่ยงอะไรเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยคือปัญญาแต่รู้พุทธะรู้ว่าทุกข์อะไรคือทุกข์อะไรคือเห็นให้เกิดทุกข์อะไรคือความดับไปของทุกข์อะไรคือทางปฏิบัติถึงความดับทุกข์อันนี้เป็นพุทธะ วิญญาณคือรู้แจ้งตามสิ่งที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้คือวิญญาณวิญญาณก็รู้สติก็รู้ปัญญาก็รู้พุทธะก็รู้อะไรอีกยานก็รู้ยานนี้รู้ตามเป็นจริงเนี่ยรู้ในสิ่งใดตามเป็นจริงอันนั้นคือยานมันต่างกันนะการรู้ขอบเขตของการรู้แต่ละอันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นบางคนบอกเกิดจิตผู้รู้ขึ้นในภายใน อจิตผู้รู้เป็นรู้แบบไหนถ้าเป็นจิตผู้รู้ในลักษณะรู้เท่าทันต่ออารมณ์อันนั้นเป็นสติถ้ารอบรู้ในกองสังขารรู้เรื่องอนิจจทรรกะอนัตตาอันนั้นเป็นปัญญาถ้ารู้ตามเป็นจริงในสิ่งที่เกิดระดับอันนั้นเป็นญาณเช่นรู้ความเป็นจริงของกายว่ากายเป็นยังไงคือดินน้ำไฟลมเมทนาเป็นยังไงเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์รู้ตามเป็นจริงของมันไปเลยอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นญาณ ยานก็จะย่างเข้าไปเรื่อยย่างเข้าไปเรื่อยย่างเข้าไปเรื่อยย่างเข้าไปเรื่อย ain. ในการรู้ในสิ่งเหล่านั้นก็เกิดเกิดเป็นยานขึ้นสติตัวระลึกรู้วิญญาณรู้แจ้งพุทธะรู้อริยสัจไอรู้พุทธะนี่แหละจะเป็นเครื่องตัดสรู้รู้แห่งการทําลายอาสวะให้สิน้นนะบทคําถามนีก้ก็พอพอกันวันนี้ก็ใช้เวลาในการ อธิบายทมเลื่อกสนทนารมกันในเช้าวันนี้แต่เพียงเท่านี้ขอให้ญาติโยมทุกคนมีความสุขความเจริญกันทุกคนทุกคนเชิน